เอารุสรุปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางสงฆ์เนี่ยครับอย่างแยกว่าเป็นคำ ม, มาวาสีกับอนวาสีชัดเนไครับนอกจากว่าอันนี้นิจกายมีรู้สึกจะเป็น2ององอนแ ว, ว่าทางามมาวาีวาถามว่าในกรณีในปัจจุบันเนี่ยถ้าถามถึงความชัดเจนทางด้านของ คามวาสีและอรัญวาสีถ้าถามว่าชัดไหมก็ไม่ค่อยชัดแล้วไม่ค่อยเหมือนเดิมถ้าเหมือนแต่ก่อนจริงๆก็ค่อนข้างที่จะแยกกันชัดยังไงเขาว่าแยกกันชัดเนี่ยก็หมายความว่าจริงๆจุดแยกตรงนี้มันเป็นจุดที่ความเห็นนจุดที่ความเห็นไม่ใช่จุดในคําสอนอจุดที่ความเห็นเนี่ย ก็เลยนี่ใช่เป็นความเห็นเมื่อจริงๆได้หลักการคําสอนก็จะสอนในเรื่องของหลักการในเรื่องของคามวาสีเป็นพระบ้านอรัญญวาสีเป็นพระป่าใช่ไหมเออจริงๆเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองอย่างตรงเนี้ยก็เลยไปไปมาก็มีคนก็พยายามจะแยกแม้แต่พระเองในยุคหลังๆหลังจากพุทธการมาโดยยุคในประเทศไทยเราเนี่ยมาแยก ก็เห็นปัจจุบันนี้ที่ทําอยู่นะครับในวัฒนธรสายปฏิบัติของพ่อวิริยันที่ผมไปไปเยนอยู่นีก็ค่อนข้างจะเข้มข้นที่มากกว่าแล้วสายพระป่าเนี่ยเพราะแวัดที่ไปก็ถ้าไม่ป่ากินเนนะครับก็มีพระอยู่ประจำน้อยผมไม่ทราบกับการปฏิบัติของพระจํานวนร้อยแบบว่าที่มีปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ผมพอตัวอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นแบ บ, แ บ, บมีระบบกนะครับ อ, อันนี้ อ, อยากจะทราบหลพ่อว่ามันแนวทางไหนที่จะทําให้เราได้เข้าถึงได้มากเร็วกว่าเอาเร็เเวกว่า <laughs> ปเร็วกว่าประเด็นเดี๋ยวขอขอแ ย, อยกตรงนี้นิดนึงนะว่าในกรณีที่แยกบ้านป่านิดนึงจริงๆตรงที่บอกว่าระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเอาเอ า, เอาหลัก ความเห็นกับความรู้ก่อนเอาความรู้ตั้งเป็นตัวตั้งก่อนจนเราจะเห็นยังไงก็ว่ากันไปในความรู้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ว่าป่าไม่ว่าบ้านมุนีคือผู้ที่สงบจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะอยู่หน้าที่ไหนที่นั่นเป็นรมณียสถานต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> นั้นคํารมณียะในที่นั้นหมายว่าว่าถ้ามุนีผู้ที่สงบราคะโทสะโมหะได้แล้ว จะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่นั่นเป็นลัมมณียสถานเลยนะอันนี้ต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนี่เป็นพุทธพจน์อันนี้เป็นความรู้นะส่วนความเห็นเราเห็นว่าไปอยู่ในป่าดีกว่าบ้านอยู่ในบ้านดีกว่าป่าก็ว่ากันไปนะอันนั้นก็ว่ากันไปเถียงกันไม่จบงานนี้ไม่จบแน่เพราะว่ามันเป็นความเห็นเรียบร้อยไปแล้วนะคือแนวนทางของสัพพายาไม่เหมือนกั น, น, นใช่ใช่ทีนี้หลักการลัมมณียสถานเนี่ยด้วยหลักการที่ ถ้าดูถึงวัดเวรุวันวัดเชตวันวัดอชีวะกะอัมภวันโคสิตารามในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยนะหลักรมนิยสถานเนี่ยมีสี่หลักคือหนึ่งหนึ่งมีต้นไม้สองมีน้ำสามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสี่ก็คือมีความสะอาดถ้าเข้าหลักสี่ประการเนี่ยเป็นรรมนิยสถานข้างนอกภายนอกเนี่ยเป็นภายนอกนะ แต่ถ้าจัดว่าภายในจริงๆนั้นหมายความว่าบุคคลที่สงบราคะโทสะโมห oh ะกําจัดความโลภความโกรธและความหลงได้แล้วท่านจะอยู่ในที่ไหนที่นั่นจะเป็นรามนียสถานทันทีเฮ้ยให้เราจะจัดระเบียบเราจะจัดระเบียบข้างนอกก็ได้นะให้เป็นรามนียสถานข้างนอกก็ได้หรือจะจัดระเบียบภายในให้เป็นรามณียสถานภายในก็คือกําจัดกิเลสในใจเลยเมื่อกําจัดกิเลสในใจแล้วตอนนี้ก็ กระแสะชีวิตก็เป็นอันว่าหมดสิ้นไปแล้วไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปทรมานอีกต่อไปนะนี่มีประเด็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการปฏิบัติถามว่าหลักการปฏิบัติเนี่ยมีหลากหลายถ้าเรามองถึงการสํานักเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าเราจะเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นหรือจะเอาความเห็นประกอบความรู้ทุกวันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนะย ร้อยละแปดสิบร้อยเก้าสิบร้อยลเก้าสิบแปดร้อยละเก้าิบดซของสังคมสังคมพุทธเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมานีในสังคมที่ไม่มีคําว่าพุทธใช่ไหมตอนพระธเจ้าประสูตรครั้งแรกตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าอโคหามัสมิโลกัสะ เทโอะมัสมิโลกัสเศเทโทะมัสมมิโลกัสอายมัติมาชาตินาถิธานิพุนทพุโรท่านบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกต่อไปอันนี้แปลว่าท่านมายืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นมนุษย์นี่แหละท่านจะฝึกทั้งพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจและปัญญาของตนเองเนี่ยโดยเฉพาะปัญญาให้เป็นผู้เลิทเ ศ, ศที่สุดประเสริฐที่สุดเจริญที่สุด แล้วท่านบอกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จักไม่มีอีกต่อไปใช่ไหมและที่สุดจริงๆริงเราดูกระบวนการชีวิตของท่านนีิแล้วท่านก็ฝึกฝนพัฒนาพออายุ29ออกมาฝึกเต็มที่เลยบำเพ็ญเพียร6ปีแล้วที่สุดจริงๆก็ได้ตัดสโรนุตระสัมมาสัสมโพธิญาณนนยอดเยี่ยมแล้วท่านก็เป็นผู้เลื่จริงจริงเป็นผู้เลิ่ที่สุดจริงจเป็นผู้บเสริฐที่สุดจริงๆเป็นผู้เจริญที่สุดจริงๆแล้วท่านก็สามารถกําจัดกิเลสและวัฏทุกุคให้หมดสิน้น จากกระแสชีวิตได้อย่างเด็ดขาดประกาศยืนยันเป็นาศาสดาเอกของโลกเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วตัศรุอลิยสัตย์อันยอดเยี่ยมใช่ไหมที่ยืนยันกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5พร้อมด้วยพรหมอีก18โกดที่ได้บรรลุธรรมในครั้งนั้นบอกว่าบอกว่าถ้าท่านไม่ได้ตัสรูุ้อลิยสัตย์สโดยรอบ3โดยอาการ12เพียงใดใช่ไหมท่านก็จะไม่ยืนยันตนเองว่าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ แต่พอได้ทรงตัดสรุ้อริยสัจส ร, รอบ3คือยาตับปริญญาตีรณปริญญาปหาหนปริญญานี่แหละนะคือท่านสามารถสัจญาณในรอบแรกท่านรู้สัจจะสีว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นทุกจริงนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกจริงนี่เป็นความดับทุกจริงนี่เป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกจริงอันนี้คือสัจญาณในรอบแรก4อย่างกิจจญาณย า, นยานในการที่จะเข้าไปกําหนดรู้กิจ ในอริยสัจเช่นทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้เป็นกิจที่ควรรู้จักเขาเนี่ยสมุทัยเป็นกิจที่ควรประหารคนละควรทําให้หมดสิ้นไปนิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งนั่นเป็นจุดหมายมาร์กเป็นกิจที่ควรเจริญนี่เป็นรอบที่สองประการที่สคือกัตยานทุกเนี่ยพระองค์ทรงกำหนดรอบรู้หมดสิ้นแล้วเนี่ยกระแสพระพระองค์รู้จักคําว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยชัดแล้ว ชีวิตคือขันห้าชีวิตคืออายตนะ10อายตนะ6คือตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยชีวิตคือขันห้าเนี่ยท่านรู้ชัดเลยแล้วก็ชีวิ ต, ok เ, นนวตเป็นอย่างไรท่านก็รู้ชีวิตก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกขเปนนัตาอย่างไรชีวิตที่ดําเนินไปด้วยกายกรรมวิีกรรมมโนกรรมอย่างไรเนี่ยท่านรู้เนี่ยชีวิตควรเป็นอย่างไรก็คือจุดหมายของชีวิตคือนิพพานเนี่ยท่านรู้เลยนั้นชีวิตคนจะนิพพานคนจะดับกิเลสและกองทุบ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรท่านชัดเลยควรเป็นอยู่ด้วยโยนิสโสมนัสการควรเป็นเป็นอยู่ด้วยมชิมาปฏิปทาเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นก็คือรู้ว่าทุกเนี่ยท่านกําหนดรอบรู้แล้วสมูทไทยท่านก็ละได้หมดสิ้นจากกำบลนสันดานแล้วมิโรธท่านก็ทรงทําให้แจ้งแล้วมัชท่านก็จเจริญอบรมบริบูรณ์แล้วดังนั้นเมื่อท่านทํา กิจเจสัจยานกิจยานกตยานได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เบีดเสร็จแล้วในรอบสในอาการ12อย่างนี้แล้วผิดอย่างทะลุปูโปงแล้วท่านจึงยืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นอรหันต์ตัมมาสัมพุทธะที่ตัสรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถประกาศหลักการสัจจะนี้ให้บุคคลอื่นได้รอบรู้ได้ตัสรู้ตามได้ด้วยเห็นแกเห็นไหมว่าการที่พระองค์ได้ยืนยันในลักษณะนี้เป็นการยืนยันการตัสรู้เมื่อพระองค์ยืนยันการตัศรู้เบีดเสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศ เรียกว่าหมุนกงล้อแห่งธรรมเรียกธรรมจักเนี่ยธรรมมากก็คือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปจักกะก็คือการหมุนธรรมจักก็คือการหมุนกองล้อแห่งธรรมก็หมุนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวิมุสัมมาสติและสัมมาสมาธิหมุนศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่กระแสชีวิตของประชาชนทั้งหมด เมื่อสัตว์โลกท่านผู้ใดได้เอามักแปดมาหมุนเข้าสู่กระแสชีวิตแล้วจากที่เป็นคนไม่มีศรัทธาก็กลายเป็นคนที่มีศรัทธาจากคนที่ไม่มีความเพียรก็กลายเป็นคนที่มีความเพียรจากคนที่ฟั่นเฟือนเลือนละก็กลายเป็นคนมีสติจากคนที่ไม่ฟุ้งซ่านก็กลายเป็นคนที่มีสมาธิจากคนที่ไม่มีปัญญาก็กลายเป็นคนมีปัญญาให้ศีลสมาธิปัญญาหมุนเข้าสู่กระแสชีวิตของท่านผู้ใดจากกายเป็นปุโุชนก็กลายเป็นอริยะ จากมนุษย์ธรรมดาก็กลายเป็นพุทธะเอาละสิเนี่ยคือการหมุนกองล้อแห่งธรรมยังไงพระเจ้ากระสามารถหมุนกองล้อแห่งธรรมเนี่ยเข้าไปในกระแสชีวิตของประชาสัตว์ทั้งหลายจากปุถุชนเป็นอริยะจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าได้จริงๆนั้นการที่อย่างนี้แปลว่าจากไม่ใช่เป็นพุทธจากทั้งเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูเป็นอะไรก็แล้วแต่สารพัดนับถือพระอินทร์นับถือพร ะ, ะพรหมนับถือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ น, นับถือผีป่าผีบ้านผีเรือนอะไรก็แล้วแต่นับเข้านับเข้าก็ ม, มามามั่นคงในพระราตนัดตราเนี่ยจากไม่ใช่พุทธกลายเป็นพุทธแล้วพุทธศาสนาก็แผ่ขยายอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยเข้าไปในประเทศน้อยประเทศใหญ่รวมมาถึงประเทศไทยด้แลแลวยแล้วพวอร่วงการผ่านไปเนี่ยไปไปมาเนี่ยจากการที่จะเป็นพุทธแท้ๆเนี่ยก็ค่อยหลุดลอยลงใช่ไหมนับเข้าถ้าเข้ามายุคการเราเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เก้ได้ไหมกลายเป็นพุทธเพี้ยน ใช่ไหจากพุทแท้กลายเป็นพุทเพี้ยนก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นพุทธนะกลับมาเป็นพุทแท้เป็นพุทที่ถูกต้องทีนี้พอนับถือกันเ ล, อเลือนมาเรื่อยๆมัน เ, เ, เ, เ, เ, เหมือนกับแตงายเถาเนี่แหละมันก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงมาในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ก็กลายเป็นพุทเพี้ยนเอาละสิในยุคนี้ย่อมเกิดมาปุ๊บยอมยังไม่รู้จักคำว่าพุทเลยแต่ไปดูทะเบียนบ้านเป็นพุทหมดแล้วใช่ไหม ไปถือที่ลูกหลานทุกคนเนี่ยเป็นพุทธหมดแล้วในทะเบียนบ้านเป็นพุทธเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขาที่เป็นพุทธเนี่ยเอาเลยสิแล้วเขาไปนับถืออะไรไปเชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาเป็นพุทธคุณจะไปเชื่อผีเชื่ออะไรก็แล้วแต่เเชื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เชื่อไหมนับถือพระอินทร์พระพรหมไทร้ายอะไรก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าเขาเป็นพุทธเน่ยแล้วถ้าเราไปบอกหลักการของพระเจ้าปุ๊บเขาบอกว่าเขาเป็นพุทธอยู่แล้วยากไหม น, น้าเขาเป็นพุทธอยู่แล้วฉะนั้นเขาไม่เห็นจําเป็นเลยเพราะเขาก็เป็นพุทธคุณก็เป็นพุทธนั้นคุณจะเชื่ อ, อยังไงก็ได้ฉนันจะเชื่ออย่างนี้ก็ได้เพราะต่างคนต่างก็เป็นพุทธเพราะมีพุทธหลากหลายใช่ไหมเขาไปเข้าใจแบบเนี้นั้นในยุคนี้จึงเป็นยุคที่สอนยากใครนําหลักการของพุทธไปบอกเขาบอกอ้างั้นเป็นพุทธแนวทางของคุณอันนี้พุทธแนวทางของฉันตามสํานักต่างๆก็อย่างเงี้ยนั่นก็จะเห็นหลากหลายเลยนี้อย่างที่ประเด็นในโยมที่ถามมานี่แหละ มาต้องเท่าความอาจจะไกลนิดหนึ่งเนี่ยแต่ต้องการชี้ประเด็นให้เห็นว่าเออเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นเขาบอก้หลักการพุทธเจ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเขาศึกษาคําสอนพุทธเจ้าแล้วก็เอาความเห็นตนเองไปผนวกกลายเป็นความเห็นตนเองก็ตั้งมาเป็นหลักการตนเองขึ้นมาพอตั้งมาเป็นหลักการเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นทฤษฎีเป็นหลักการตนเองเป็นทิฏฐิเป็นลัทธิเป็นความเชื่อมาก็ปูพรมหลักการตนเอง ยมก็ไปอ่านตรงนี้เออไอตรงนี้มันถูกใจเราหรือเปล่าเนี่ยอถูกใจยอมก็ไปแต่คนนั้นไปอ่านตรงนั้นโอสำนักนี่ดีนะคําสอนนี่ดีนะยอมถูกใจก็ไปตรงนั้นยอมถูกใจก็ไปไปมันก็เลยอ้าวไปทางเดียวกันนั่นแหละเนี่ยพอมาสรุปอย่างนี้เลยนะยังบอกว่าไปทางเดียวกันโนจะไปจะไปเชียงใหม่เน wow> ี่ยคุณจะลงใต้ก okay. ็ได like ้ในธรรมรงอย่างนั้นเลยนะจะไปอีสานก็ได้ก็ก็เขาเข้าใจกันอย่างนั้นแล้วใช่ไหมทุกคนก็เลยบอกว่าเอาละจุดหมายคือไปนิพพานเหมือนกันฉะนั้นคุณจะเดิน สำนักนู้นก็ได้สำนักนี้ก็ได้ที่นู้นก็ได้ที่นี้ก็ได้จุดหมายก็คือไปนิพพานเหมือนกันน่นก็เลยไปเห็นอันนี้เป็นความเห็นนะอย่าลืมนะความรู้คนละเรื่องกันฉะ <c oughs> นั้นพอยอมตั้งประเด็นว่าเออไปเอาตรงนั้นมาตรงนี้มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นในทนํานองอย่างที่บอกนี่แหละนะทำนองแบบที่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะแทบจะไม่เอาเนื้อในของนั่นแบบเหมือนกับได้สูตรยอมอาจจะได้น้ำได้สูตรการทําน้ําพริกเนี่ย ใช่ไอ่อาจจะเป็นน้ําพริกอะไรก็แล้วแต่เถอะนะน้าพริกแมงดาน้าพริกอะไรก็แล้วแต่แต่ยอมได้สูตรได้สูตรไปเรียนสูตรเอ่อสูตรจากใครอะเนี่ยไอ้สูตรเดิมอะ่ะหรือว่ามาสูตรปรุงแต่งแล้วถ้าเป็นสูตรปรุงแต่งก็ต้องยอมรับในสูตรปรุงแต่งแต่สําคัญไปบอกว่าสูตรปรุงแต่งนี่เป็นของพระพุทธเจ้าเอ อ, เ อ, อนี่นนี่เนี่ยไอ้ประเด็นนี้ต้องคุยกันอีกเยอะเลยพอจับประเด็นได้ไหม เนี่ยเห็นไหมนั้นถึงบอกว่าถ้าไปเอาตัวสํานักมาตั้งหรือเอามาเป็นประเด็นในการถามแล้วเนี่ยอาตอมาก็ก็ต้องตั้งหลักให้ดีเวลาจะตอบหนึงต้องไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นทีใช่ไหมเออตรงนี้เอามาก็ต้องบางทีอามาก็ต้องบอกว่าเออยังไม่ได้ดูรายละเอียดในหลักการนั้นแต่ถ้าบอกหลักการของพระพุทธเจ้าอย่างไรเออเอาเลยนีนี่นี่ถ้าบอกหลักการพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะว่าไว้อย่างนี้เป็เสร็จนะ อาพุทธเจ้าเมื่อว่าอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วแต่สิ่งที่ควรจะปฏิบัติอย่างไงถึงจะเข้าตามหลักการตรงนี้เอออันนี้เป็นเป็นหลักการที่พุทธเจ้าบอกอย่างไงนั่นก็ว่ากันอีกทีพอจะประเด็นได้ไหมนี่ขอหลักการพุทธเจ้าจับใจของพุทธเจ้าหลักการปฏิบัติได้จะไปอ๋อเออในในคําสอนในหลักการในหลักการที่พุทธเจ้าทรงทรงกล่าวไว้เนี่ยพุทธเจ้าจะ มีอยู่ครั้งหนึ่งยกเรื่องนี้ในคณกาโมกคลานะสูตรเป็นพระสูตรที่พระเจ้าเนี่ยสอนแก่คณกาโมกคลานะพราหมณ์คณิกาโมคขลานะพราหม์เนี่ยเป็นคนที่มีความชํานาญในการบอกทางมากในการบอกเส้นทางจะไปในกรุงราชคลึบไปยังไงจะกรุงสาวัตถีไปยังไงจะไปเวสาลีไปยังไงเป็นคนชำนาญชํานาญในการบอกเส้นทางมาก นีท่านมีความสงสัยนะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในกรณีแห่งการที่บอกเส้นทางบอกหลักการบุคคลบอกข้อปฏิบัติเพื่อให้คนไปถึงพระนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกยังไงพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไ <c oughs> ใ, ใช่ไเออไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็เลยย้อนว่าเออเนี่ยเธอเป็นคนชำนาญในการบอกทางใช่ไหม ท่านก็คณะการมกอะไรนะก็บอกใช่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความชํานาญในการบอกเส้นทางก็บอกเออในขณะที่มีคนมาถามทางเธอที่จะไปกรุงราชคลื่เนี่ยหรือไปหนะ้าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเธอบอกเส้นทางเนี่ยบอกได้ละเอียดละอามากใช่ไหมบอกใช่เป็นคนที่ชํานาญในการบอกมากแล้วเมื่อคนที่เธอบอกทุกคนเนี่ยไปถูกทางกันทุกคนไหมบอกบางคนก็ถูกทางบางคนก็ไม่ถูก แล้วส่วนใหญ่อะถูกหรือผิดเจ้าส่วนใหญ่ผิดเฮ้ยคนเด้อเพราะทางมันซับซ้อนไงมันซับซ้อนนี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผิดทั้งๆั้งที่ข้าวพเจ้าเนี่ยบอกแบบละเอียดออแล้วบอกแบบถี่ท่วนแล้วไปผิดเดี๋ยวกำลังมาถามอยู่เรื่อยว่างั้นเนี่ยเขาบอกว่เออแล้วเธอว่าไงเวลาบอกผิดไปแล้วก็เวลาบอกบอกทั้งทั้งเดียวบอกถูกก็เดินผิดเธอเธอมีความคิดยังไงบอกว่าข้าพเจ้าจะไปว่าอะไรได้ ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกใช่ไหมพระเจ้าก็เลยบอกว่าตถาคตก็เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยพระเจ้าก็เป็นผู้บอกเหมือนกันตถาคตก็เป็นผู้บอกเหมือนกันคนส่วนใหญ่ก็เดินผิดส่วนน้อยเท่านั้นที่เดินถูกส่วนคนที่เดินผิดเนี่ยตถาคตจะไปว่าอะไรเขาได้เพราะตะถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้เป็นแต่เพียงผู้บอก อนี้คว่ารรชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุกเกษมสารเนี่ยชี้ทางพระนรุพานัพนพ้นโสวิโยไพเนี่ยสถาก็ชี้เรานิพพานเป็นอย่างนี้แล้วก็มักปฏิปทาทางดําเนินที่จะไปเข้าถึงพระนิพพานเป็นอย่างนี้บอกทุกขั้นตอนบอกรายละเอียดทั้งหลายเหล่านี้แต่โดยส่วนใหญ่ที่นี่ท่านก็ถามพระเจ้าว่าออพระเจ้าบอกอยังไงสังเกตคนยังไงดูคนยังไงจึงบอกพระเจ้าก็บอกว่าเมื่อสถาคตได้กุลบุตรกุลธิดา ที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอม่าลืมนะอันดับแรกก็คือต้องหาคนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตก่อนอ่าทำไมถึงบอกอย่างนั้นเออคำว่าเออยมถึกถกธรรมะกันมามากแล้วอ่อาเดี๋ยวช่วยขยายตรงนี้หน่อยจะถามทีราคนนะใครอยากแสดงทัศนะติว่าตถาคตโพ ธ, ธิศัทธาเคยได้ยินคานี้ไหมเคยได้ยินไหม ตถาคตโพธิสัทธอ้าวใครแปลได้ไหมคำนี้อ้าวถ้าแปลไม่ได้เดี๋ยวแปลให้แล้วแล้วลองช่วยอธิบายหน่อยที่คำคำนี้ในในทัศนะในความเห็นของโยมที่ถกธรรมะกันมาทุกสองเดือนเนี่ยเยอะไหมล้วนจะเป็นผู้ร่วงการผ่านวัยกันม า, มากๆเลยนะอ้าวคำว่าตถาคตโพธิสัทธาถ้าแปลก็แปลว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต เชื the the ่อมั ade, ่นปัญญาตรัตตุของพระธรรคตเนี่ยคำคำนี้ยหมายถึงอะไรอ้าวใครจะแสดงความเห็นก่อนเอาประธานก่อนดีไหมเชื่อมั่นในสิ่งที่ศรัทธาก็อ้าวลองดูโดยมากคนเราเนี่ยเข้าข้างตัวเองเสมอจะเชื่ออะไรก็เชื่อว่าเงี้ย แล้วก็อะไรที่ตัวเองมีคำอธิบายแล้วก็ไปสนับสนุนความเชื่อนั้นใช่เลยหรือใครมาพูดอะไรที่บอกว่าเข้าทางเนี่ยใช่เลยแล้วคนอื่นมาพูดในฝังยากไม่ฟังไม่คำว่ า, าตรฐาตพุทธิสัทธาเนี่ยเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้่าตรฐาตนี่หมายถึงอะไรมาตถฐาตก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งไปดีแล้ว โพธิ์ที่ศัทธาก็คือพันที่พึ่งศรัทธาที่เชื่อถือได้เพิ่งได้มาทแปงถูกเว่าแล้วยอมยอมท่านต่อไปตถาคตโพธิศรัทธาแป่แล้ว <c oughs> ผมวก็คือท่านจะถามผมก็<อ>แปลว่าก็ต้องเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่อยู่ต่อนหน้าเราเนี่ยนะจนตอนนั้นในเวลานั้นก็เชื่อมั่นกับท่านผู้ตรัสรู้จริงๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องนี่คือหลักเหมือนกองต้นทีล้ตัวนี้ใชแล้วโอเคแล้วนี่คือสิ่งที่ของจริงประมาณนั้นห่อประมาณเออยกอลานแสดงเริ่มชัดขึ้นแล้วเชื่อเชื่อมั่นในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้สานุเอาไว้นะฮะแล้วก็ สืบทอดต่อเ น, นื่องันมาแล้วเราได้ดศึกษาแล้วก็เห็นว่าเห็นเห็นตามนั้นใช่เห็นว่าถูกต้องตามนั้นก็เชื่อมั้นอ๋ออ้าวแปลว่ากัลยาณมิตรได้มไหมครับกัลยาณมิ <c oughs> ตรกัลยาณมิตรขับเพราะคนที่พาเราไปเที่ยว ท, ที่ถูกทางไงคอ๋อเชื่อมันท่าน ท่านพระพุทธเจ้าท่านเป็นยอดกัลยาณมิตรที่จะนำทางนี่พาเราถูกทางใช่ไหมครับโอ้จับตอนนี้ยังหาไม่เจอก็ยังไม่รู้ว่าใครตเราคำวันตถาคตโพธิสัตว์เป็นชื่อยากแยบเป็นคำศัพท์นะฮะแตตถาเนี่ยคือเป็นชื่อเรียกพระพุทธเจ้าของคนที่นอกศาสนาเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตนะโิที่นี่ก็เป็น ความรู้เป็นปัญญาปัญญารู้แล้วก็ศรัทธาศรัทธาก็ความเชื่อที่รวมกันแล้วผมไม่ทราบจะแปลว่าอย่างนั้นแล้วแต่ตัวแล้วในความเห็นนะคือคนเราเนี่ยการจะเอาหลักการลำมิสูจมามาใช้เนี่ยมันก็ต้องรำพิสูจน์ลมาสิที่พระองค์ พูดมันจะคลึงจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาพิสูจน์เราต้องาศึกษาดูปฏิบัติอแล้วาจะรู้ว่าจริงหือมาจะได้สัารปแล้วต่าคอนโพิ์ทิายังไม่ชัดยังไม่ชัดอ๋อยังไม่ชัดอ้าวยอว่าต่อต่อเราเชื่อว่าสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามีความความรู้จริงในการในการ บบนำดวงชีวิตให้ส่้นเจดนได้และนาพาไปสูพ่พรนิพานเลนะเราเชื่อว่าคำแนะนำสัจสอนของท่านเนี่ยก็จะเป็นคำสอนที่ถูกต้องและสามารถที่จะพาหล่คนจากทุกไปสู่พนิพ า, พ า, านได้อ๋อมั่นใจในพระพุทธเจ้าอ๋อนี่คือ<า>ความหม่เอา้าแล้วผมไม่ทราบผมยังฟังหูวงพ่อล่านะ<ข>อาจวอันนี้ละครเรนี้มีตัวละครของของตัวเลนสมัย ในสมัยที่พระเจ้ า, เ, จ า, า, น า, านนเนี่ยเจ้ายังสมชื่นเพราะภากนะโมคลานก็ถือว่าท่านเป็นป่าทางในการชี้แนะเส้นทางครับแล้วก็กำลังศุดย์นากรรมอว่ า, า, าพัฒนาคตซึ่งและตอนหลังเนี่ยเราเชื่อเป็นสมมาตรขอพระเจ้าเนี่ยถ้ายุคเราเนี่ยเราควรจะเชื่อว่ า, า, าพัฒนาคตผู้เนี่ยเราต้องเพราะว่าพิจาราด้วยเวลานานน แน่นอนนะครับแต่ว่าในช่วงที่คุยกันเงี่ยต่างคนต่างมีความเก่งกาจกันคนละทางผมว่าในอันนี้อันนะที่ระหว่างพัฒนากั น, นี่ยาจารย์กาลังทดสอบกันเ่อ๋อเข้าใจแต่ประเด็นคืออเมื่อกี้ต ะ, ตะเนนั้นจบไปนิดหนึ่งแล้วแต่ประเด็นว่าตถาคตโพธิสัตธาเนี่ยในในคาคำนี้หมายถึงอะไรเออก็ผู้ตถาคตก็คือเป็นผู้ที่เนะี่ยอย่างนั เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นแล้วตรงนี้เข้าใจคำนี้ได้ดีไหมถ้าตามศัพท์นะครับแต่จริงๆทางด้านความหมายความหมายลึกๆยังไม่แน่ใจถ้าผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพวกเราที่มาคุยกันตอนเริ่มต้นเราก็เซตเป็นกติกาไว้ว่า ใครจะจะไปเชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าคือผมบอกธรรมกายไม่เอาถ้หลายๆายอย่างก็าไม่เอาแต่จะเอาเทรวาสคำสอนพุทธเทรวาสเป็นหอักนะจากพระไต้าคือเท่านั้นคือไม่มีความเห็นอื่นนะเพราะว่าความเห็นอื่นนี่ธรรมกายเขาก็บอกทุกอย่างมีตัวตนนี่ผ่านเป็นตัวตนนะใจอย่างนั้นไม่เอา ไม่พูดด้วยพูดด้วยเลยเพราะนั้นจะเทราวาสเป็นหลักก็ไม่ทราบราับความหมายในทางที่ผมเชื่อหรือว่าพวกเราเชื่อกันเนี่ยไม่ทราบว่าจะเข้าหลักอันนี้ไหมอ๋อเออแล้วเพยอมทั้งสองอ่ะมีอะไรไนหะอกหน่อยนะคุยกับฝรั่งฝรั่งดถามว่าทำไมผมถึงเชื่อในอยุบบุดาบูดา ผมบอกเอาลนะเร า, าจบวิศนี ย, ย, ย์มาจริงๆนะไม่ควรจะเชื่ออย่างนี้นแต่ผมบอกว่าโดยความเป็นจริงในตัวผมนะผมเชื่อวันนั้นหล า, าเกิดทำไม่ถึงเชื่ออย่างนี้นผมไม่ทราบแต่ว่าตั้งแต่ผมเกิดจนผมแกแบบนี้เนะผมก็ยังไม่เห็นข้อผิดพลาดในคําสอนที่แท้จริงอย่างนั้นแ <c oughs> ลาา้วกันมว่าแล้วทํำไมที่เขาเชื่อกออ้อนอ่ะต้องมีเหตุผลอะไร <c oughs> เขาต้องงง พาอว่าไม่เคยถึงว่าทำไมเขาเชื่อผมถามเขาเชื่อไหมเชื่อทำไมถึงเชื่อก็ตอบไม่ได้เขาตอบไม่ได้เพราะว่าจริงๆในหลักการในคริ่ศาสนาเขาจะมีข้อแรกเลยเนี่ยห้ามสงสัยใดๆในตัวพระพุทเจ้าผมบอกว่าพระพุทองค์สอนไม่ให้เชื่อนะครับแม้แต่คำสอนของพระพทองค์จนกว่าจะได้เห็นได้เข้าใจโดยแท้จริงแล้วผมก็บอกทุกานว่าผมเกิดมาจแ่าเนี่ยผม ยัไม่เห็นขอบขีาเลยเพราะนั้ น, <S <S 2> <S 2> น, นมไม่ิเชื่ อ, อมันก็ยอย่างนั้นนะคเร่ะไม่มีเหตุผลหรอกแต่ว่าเกิดังเเชื่อเลยทีหลังค่อยๆมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับแล้วความหมายของคำว่าตถาคตโพธิสัตฐานนี่เอาอย่างไรตธาคาตาิงศรัทธาผมเข้าใจโพธิี่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าครับแลาที่พทุกโพธิศสต์นี้เป็นชื่อของปัญญามาจากคาว่าสัมโพธิ คือปัญญาอไม่ได้เนอไม่ได้ยินไม่ได้ยิน no comment no comment เอ่อเอาแล้แต่นี้มาฟังฟังดูนี่ที่ต้องการอยากจะสรุปประเด็นตรงนี้ก่อนที่เราจะ จะได้ศึกษาและปฏิบัติขึ้นคำว่าตถาคตเนี่ยอันนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าของบุคคของมนุษย์มนุษย์ทันแรกที่สามารถฝึกตนเองด้วยความบากบัน่นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจพัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาตนเองจนสามารถแทงตลอดสัจสี่ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีครูอาจารย์ แล้วก็ผันตนเองจนเป็นผู้ตัดสรุ้ได้เป็นคนแรกของโลกเนี่ยฟองของขอ ง, ของยนี้ใครก็แล้วแต่ที่สามารถผันตนเองได้อย่างนี้เข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดตรงนั้นได้จึงเข้าถึงความเป็นคำว่าตถาคตคำว่าตถาคตเนี่ยบ่งบอกถึงว่ามนุษย์เนี่ยความสามารถของมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกซึ่ง เกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยมีกําลังของโยนิโสมนุิย์การความเป็นผู้ฉลาดคิดอย่างอย่างแข็งแรงซึ่งต่างจากมนุษย์ทั่วๆไปเมื่อเกิดมาในโลกใบนี้แล้วก็คิดแค่เหมือนๆกับคนในโลกนี้เขาคิดยังไงเขาเชื่อยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็ติดอยู่แล้วก็โจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่คนที่จะฝึกตนเองจนกลายเป็นตถาคตเป็นบุคคลคนแรกของโลกได้เนี่ยก็แปลว่าเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้แต่ไม่ติดโลกนี้ สามารถมองเห็นผลึกผลพัฒนาตนเองที่จะสามารถคิดได้ลึกกว่าแล้วก็ได้กว้างกว่าแล้วก็ได้เข้าถึงความจริงของชีวิตได้ด้วยตนเองนั้นเมื่อฝึกตนเองจนเข้าถึงปัญญาตรัสรุ้ความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยได้ด้วยตนเองแล้วก็ประกาศหลักการนั้นยืนยันจะให้คนอื่นรู้ตามที่ตัวเองได้จึงได้นามว่าตถาคตเข้าใจอย่างใช่ไนะคําว่าตถาคตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นชื่อบุคคลแล้ว เป็นชื่อของบุคคลที่ผันตัวเองฝึกตนเองจนเข้าถึงจุดสูงสุดตรงนี้ได้จึงมีนามอย่างนี้จึงมีพันนามว่ตา ต, ตถาคตะคำว่าตถาคตนี่พอจะชัดตรงนี้นะส่วนคําว่าโพธิเนี่ยเป็นชื่อของอะไรไมานจะคําว่าสามโพธิเป็นชื่อของปัญญาตัศรู้ความจริงฉะนั้นการที่ท่านมีปัญญาตัสรู้ความจริงนี่แหละอันประเสริฐสี่ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรคนี่แหละ ตัดสรูทุกตัสสรู้เหตุให้เกิดทุกตัดสรู้ความดับทุกตัดสุข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเมื่อท่านไปแทงตลอดความจริงันประเสริฐสประการนี้ได้ด้วยตนเองเนี่ยท่านจึงได้น้ำว่าพระตถาคตเพราะท่านสามารถฝึกฝนปัญญาเข้าถึงสูงสุดได้ใช่ไหมทีนี้โพธินี่เป็นความเชื่อเชื่ออะไรโพธิศรัทธาเนี่ยคำว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธานี่เป็นความเชื่อมั่นนั้นอย่างเราเนี่ยถามว่า มีตถาคตโพธิสัตว์ไหมบางคนบอกมีบางคนบอกเออ ย, ยังไม่เข้าใจงั้นต้องบอกว่าเชื่อมั่นปัญญาตัดสู้ของพระตถาคตรหรือของพทธเจ้าไม่ใช่เชื่อมั่นบุคคลนะเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นปัญญาที่ตัดสู้ความจริงนั้นคือเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มีปัญญาชนิดนี้เราไม่มีเรายังไม่สามารถทำปัญญาชนิดที่จะรู้ความจริงให้เกิดขึ้นในตอนได้ เราเลยเอาศรัทธาของเราเอาไปเชื่อมั่นปัญญาของของพระพุทธเจ้าไปฝากไว้ที่พระพุทธเจ้าก่อนฝากไว้ที่ปัญญาของท่านว่าเชื่อมั่นว่าท่านรู้ความจริงเพราะหลังจากได้ศึกษาได้ฟังได้เรียนรู้แล้วเนี่ยโดยเชื่อมั่นเลยว่าเออเนี่ยปัญญาเราเชื่อมั่นปัญญาของท่านทีนี้พอเชื่อมั่นปัญญาตรสรู้ของท่านผู้ซ่าเออผู้ผู้คนแรกแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกมนุษย์ต้นแบบเป็นมนุษย์สูงสุด น, นี่แล้ว เออเราก็เลยต้องย้อนกลับมาดูตนเองแล้วแต่เนี้ยเออเราเป็นมนุษย์ไหมเราเป็นมนุษย์หรือไม่พระเจ้าเป็นมนุษย์ไหมเอาเป็นออาพระเจ้าทำอะไรให้ดูบอกอะไรเราเออบอกแล้วเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เราเกิดความเชื่อมั่นใช่ไหมเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพันตนเองฝึกตนเองทาสมโธูธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้และตัดสินความจริงได้ โดยที่ไม่ต้องฝึกเองโดยไม่ต้องไปทำเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทาแต่ทำตามหลักการที่ทรงบอกแล้วเราก็จะได้ปัญญาสมโพธิอย่างท่านคือบอกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพุทธได้มนุษย์ธรรมดาเออปุรุชนเนี่ยกลายเป็นอริยะได้ถ้าฝึกตามกระบวนการที่พระองค์ทรงบอกไว้หลักการที่ทรงบอกไว้ที่ที่ได้บอกมาตอนในช่วงก่อนจะฉันเพนที่บอกว่า พระ อ, องค์เป็นไก่ตัวพี่ใช่ไหมแล้วก็ฝึกจะงอยปากฝึกกรงเล็บตนเองให้แข็งแล้วก็ฉีกเปลือกไข่เดินออกเดินออกจากเปลือกไข่มาเป็นตัวแรกเป็นไก่ตัวพี่พระ อ, องค์พูดเองนะว่าพระ อ, องค์เนี่ยเป็นไก่ตัวพี่นะเอาพวกเราเป็นไก่ตัวหลังๆที่อยู่ในเปลือกไข่ถามว่าเราจะยอมตายอยู่ในเปลือกไข่หรือจะฝึกตนเองตามที่ไก่ตัวพี่บอกวิธีการ ถ้าบอกว่าต้องการอยากจะตายอยู่ในเปลือกไข่ก็ไม่ต้องทำอะไระ่ะก็อย่าไปเชื่อมัน่นศักยภาพว่าไก่เนี่ยสามารถฉีกเปลือกไข่ออกมาเดินสู่โลกกว้างเป็นอิสระเสรีภาพได้ก็อยู่ไปจมอยู่กับทรัพย์กับบุตรกับภรรยากับอะไรต่างไม่ต้องไปฝึกฝนพัฒนาอะไรแล้วอยู่ไปวันวันวันวันเดี๋ยวก็ตายไปแล้วก็จมอยู่กับความมืดคือวิชานั่นแหละแต่ถ้าเชื่อมัน่นไก่ตัวพี่เอ้ยไม่ได้แล้วต้องฝึก ฝึกทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจฝึกทั้งด้านปัญญาเขาแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็จะทำลายโมหะเป็นเหมือนเปือเหมือนไก่ตัวนั้นแหละแล้วก็เดินตามไก่ตัวพี่ออกไปสู่โลกกว้างเป็นอิสระเสรีภาพได้ฉะนั้นคำว่าจะถาคอดโพธิสถานสำคัญหรือไม่สำคัญสำคัญมากให้ไปเชื่อมั่นพระพุทธปัญญาของท่านก่อนแล้วถ้าเชื่อแค่ข้างนอกแต่ไม่เชื่อตัวเอง แปลว่าไม่มีตถาคตโพธิสัต t h เข้าใจไหมอ๋อไปเชื่อแค่พระเจ้าแต่เราแย่ะเราไปไม่ถึงหรอกพระเจ้าเนี่ยแปลว่าคุณไม่เชื่อพระเจ้าด้วยก็พระเจ้ามาในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มาในฐานะเทวดาหรือพรหมพอมองออกไหมคําว่าต ถ, ถาคตโพธิสัต t h ก็ถ้าคุณเชื่อมั่นมนุษย์ระดับพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องเชื่อมั่นมนุษย์ที่คุณเป็นอยู่ด้วย แล้วก็ต้องเชื่อมัน่นโดยมนุษย์สามารถฝึกพฤติกรรมฝึกจิตใจแล้วโดยเฉพาะฝึกปัญญาเนี่ยให้เป็นโพธิให้เป็นสัมโพธิให้สามารถตัดสู้สัจจะตัดสู้ความจริงตามบุคคลต้นแบบหรือมนุษย์ต้นแบบระดับพระพุทธเจ้าได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีตถาคตโพ ธ, ธิสัต t h แต่ถ้าไปเชื่อแค่พุทธเจ้าแต่ไม่เชื่อมั่นตัวเองเนี่ยเขาเรียกไม่มีตถาคตโพ ธ, ธิสัต t h แปลว่าไม่เชื่อมัน่น เออทั้งสองชั้นหนึ่งชั้นแรกเ อ, เอาความเชื่อไปเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อปัญญาของท่านก่อนชั้นที่สองต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าจะสามารถฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นในตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทําให้ดูถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีตถาคตโพ ธ, ธิสัต t h อา้าวแต่นี้ก็เลยต้องถามพวกเราว่าพวกเรามีตถาคตโพ ธ, ธิสัต t h ไหมถ้าไม่มีไม่ต้องสอนเรื่องการปฏิบัติเขาใยายัง ก็ไม่รู้จะสอนไปทําไมเพราะคุณไม่เชื่อมั่นตัวเองแล้วอใช่ไห ม, ไ ม, ไมถ้าคุณไม่เชื่อมั่นตนเองแล้วแล้วก็ไม่คุณก็ต้องไม่เชื่อมั่นพระเจ้าด้วยเพราะยึดโยงกันเนี่ยเพราะมนุษย์เหมือนกันนี่ใช่ไหยนั้นถ้าเชื่อมั่นพระเจ้าคุณบอกโอ้โหพระเจ้านี่เป็นพระอรหันต์กลจากราคาโทสะโมเหตหะพระเจ้าเนี่ยเป็ น, าาาา น, ปนผู้อาหารหันต์กาจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยตนเอง สัทสลวริย์เสียศได้โดยตนเองพระเจ้ามีวิชา8มีจารณาสิบห้าพระเจ้าเสด็จมาดีแล้วเสด็จไปตามมชิมาปฏิบัติเสด็จไปถึงอนุปาธาปรินิพพานดับกิเลสและกองทุกได้พระเจ้า เ, เป็นสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาเอกของโลกพระเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะพระเจ้ามีความแสดงธรรมในงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ประกาศหลักการคือตื่นสมาธิปัญญาให้เป็นหลักการให้คนประพฤติปฏิบัติและสามารถแทงตลอดระยะสั้นีได้เนี่ยคือเราก็เราไปเชื่อที่พระเจ้าโอ้เราเชื่อหมดแล้วแต่เราไม่เชื่อตัวเองนี่จบเลยนะอันนี้จบแล้วแปลว่าคุณไม่มี <S <S คุณไม่มีคน ไ, ไ, ไม่มีตาถาคตโพธิสัตว์ใช่ไหมคนไปเชื่อแค่บุคคลข้างนอกแต่คนไม่เชื่อตัวเองถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่มีตาถาคตโพธิสัตวานี่ก็ต้องย้าพวกเราว่า พวกเรามีถถาสถาคบิยศรธมไหมก็ต้องสองชั้นอย่างที่ยโวารานพูดเมื่อกี้คือเลืเล่นเรื่องตอเชื่อมีทลวว่าคนทั่วไปก็จะยอมรับหรอกเออแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงวันนั้นี้ว่าอีกนั้นว่ า, วาเรื่องเชื่อใช่หแต่ว่ า, <c ười> วาคือหลายคนคงไม่ไม่ขอไม่เบอกเฮ้ยชาตินี้ฉันถึงแน่อะไรอย่างเงี้ยจะยอมรับอ่ะแต่ว่าก็เชื่อในอความสามารถของมนุษย์ที่จะ เห็นไหมถ้ามองมถ้ามองในลักษณะนี้จะได้เกิดความเข้าใจชัดแล้วอ้ อ, อหลายคนบอกว่าคุณเชื่อพระพุทธเจ้าไหมเชื่อเชื่อปัญญาตรัสรู้ของท่านไหมเชื่อเชื่อไหมพระองค์เป็นพาระอรหันต์เชื่อเชื่อไหมพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้อริยสี่ ส, สี่ได้ด้วยตนเองเชื่อ แล้วเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าสามารถสอนบุคคลอื่นให้ตัดสรุปตามเชื่อแต่ไม่เชื่อว่าจะสอนผมให้ตัดสรุปได้นี่นี่นี่มีปัญหาแลยนะเขาใสเขาใสผมเขาใสที่นั่นด้วยแตว่าเชื่ อ, อ ว, ว่าคนคนใหญ่ตกลงรับเหมือนเหมือนประมาณแล้วไม่คือคือความสามารถตัวเองเนี่ยผมผมทำไม่ได้แล้วบ้แต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาดีหมดเชื่อหมดนะอะไรมาณั้นนะประเด็นคือพระพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่งหลักการวางธรรมนะอย่าดูหมิ่นผู้พูด ใช่สองอย่าดูหมิ่นเรื่องที่พูดสอย่าดูหมินนมหะะมม่นตัวเองนี่ยอมเข้าจุดาก็ยุบยอมดูหมิ่นตัวเองนี่ถ้าอย่างนี้ไปไม่ได้จริงๆแล้วอย่าลืมนะว่าเอางี้ยอมเนี่ยเป็นวิศวะกันในรุ่นของยอมมีเท่าไหร่สามรอามร้ห้ารอใช่ไหมอ้าวส0 0อใช่ไหม 500, 000, 000. เข้าใจเข้าใจในรุ่นของโยมมีเท่าไหร่สายสักส5คน305คนทีนี้ในบรรดา305ห้าคนเนี่ยตอนนั้นประชากรมีเท่าไหร่มีสประมล้านประมาณยี่่้าเนียถ้าบอกว่า20ล้านถามว่าทำไมแล้วในบรรดาคน20ล้านคนที่เชื่อว่าตนเองจะเรียนวิศวะได้มีกี่คน ก็มีไม่กี่คนเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเรียนได้ไหมถ้าเขาจะเรียนแต่อะไรเป็นตัวกั้นทำให้เขาไม่ไม่เรียนไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อมั่นตัวเองฉะ<ง>นั้นความความไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันมันมันกันทันทีทั้งๆ้ที่ตัวเองได้ถ้าจะเรียนจริงๆมันเรียนได้เนะีเพราะยอมรู้ว่ายอมเรียนน่ยจริงๆแล้วเนี่ยยอมก็สามารถไปมองคนอื่นถ้าเขาจะเรียนจริงๆมีวิธีการมีหลักการอะไรอีกเยอะแยะใช่ไหมหลักการเดียวกัน หลักการเดียวกันนั้นคนที่เป็นพระอรหันเนี่ยเพราะท่านเชื่อพระพุทธเจ้าและท่านก็เชื่อมั่นตัวเองให้ยกตัวอย่างเช่นพระมหากบพินนะนะพระพระเป็นพระเจ้าวินดินท่านปกครองแผ่นดินแล้วแล้วต่อมามีชาวสาวถี เดินทางไปที่เมืองท่านพอเดินทางไปที่เมืองท่านปุ๊บรดับแรกก็ท่านถามท่านมาจากที่ไหนกันผมมาจากสาวถีท่านเป็นนักการศึกษานักการใฝ่รู้และปรารถนาใช่ไหอยากจะรู้ว่าอะไรมันเลิศอะไรที่ประเสริฐอะไรที่ดีที่สุดเนี่ยคือมนุษย์บางคนนี่นะบางคนเนี่ยเป็นคนยึดถือ ถ้าไปได้อะไรแล้วก็จะยึดถืออยู่แค่นั้นแหละนะแต่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเห็นเลยก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นแหละภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าดักดานอยู่งั้นแหละเหมือนคนสองคนใช่ไหมอีกคนออกไปจากบ้านไปด้วยกันนี่แหละพอไปปุ๊บเนี่ยไปเจอไปเจอป่านสมัยก่อนเรื่ป่านปอนเนี่ยเคยรู้จะรู้จักกี่ไหมเขาว่ายป่านปอนเนี่ย พอไปเห็นทั้งคู่ทุกคนทั้งคู่ก็หยิบเอาบ่านปอไปเลยโอ้เราจะได้ได้ของดีแล้วพอเดินเดินเดินไปได้สักวันสองวันไปเจออะไรไปเจอไปเจอผ้าเปลือกไม้ไม่ใช่ป่านปอธรรมดาแลแต่เขาเอาทาเป็นผ้าเรียบร้อยอีกคนนึงทิ้งเลอุ้ยไม่ได้เรื่องแล้วของที่เราแบกมาเนี่ยของมันไม่ใช้ไม่ได้ีิว่าเราก็ต้องเอาผ้าเปลือกไม้นี่สิจะมันดีกว่านี้ก็ทิ้ง อีกคนนั้นบอกเอ้เรื่องอะไรเราเราถือมาขนาดนี้แล้วเรื่องทิ้งนี่ไม่ทิ้งเด็ดขาดใช่ไหมก็ไม่ยอมทิ้งเอาไปเดินไปไปสักพักหนึ่งก็ไปเจอผ้าไหมหลังจากเออไปเจอผ้าฝ้ายก่อนอีกคนนั้นก็ทิ้งเลยเรื่องอะไรเราจะต้องแบกผ้าเปลือกไม้เอาผ้าฝ้ายมันดีกว่าก็ทิ้งทิ้งผ้าเปลือกไม้เอาผ้าฝ้าย เอาเพราะอีกคนนั้นไม่ยอมทิ้งนะยังถือป่านปอมาอยู่เลยนะเพราะโอ๊ยแบกมาเหนื่อยเด็ดเหนื่อยแล้วเราเราเราชอบของเราอย่างเงี้ยเอาพอบเดินไปเรื่อยๆไปเจอผ้าไหมไอ้คนทิ้ ง, งอีกทิ้งผ้าฝ้ายเอาผ้าไหมไปเรื่อยๆนะเข้าเนะีเขาไปเจอผ้ากำพลอย่างดีเลยทีสีแดงเขาก็ทิ้งนะัเข้าไม่ได้เจอผ้าแล้วเขาไปเจอเงินเขาเอาเงินไหม ไปเจอทองแดงก็ เ, เอาทองแดงก่อนไปเจอเงินก็ เ, เอาเงินไอ้ น, นี่เปลี่ยนไปเลยนะข้านะข้าไปเจอทองเขาไม่เอาแล้วตั้งอื่นก็ทิ้งเอาทองก็กลับมาบ้านไอ้คนแรกนี้มันแบกป่านปองก็แบกที่เขาต้องการชื่ออะไรเนี่ยสองเนี่ยบางคนเนี่ยแบกความเห็นของตอนเองตั้งแต่เกิดยันตายไม่เคยทิ้งเลยทั้งๆ ท, ที่เจอสิ่งดีๆกว่าข้อมูลดีๆกว่า ไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยพัฒนาฝึกฝนเลยก็ยังรับไอความเห็นเดิมๆไปอันอนี้ต้องการชี้อะไรเนาะต้องการชี้่างอย่างพระมหากบิญเนี่ยไอที่เป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยท่านเป็นคนลักษณะประเภทที่ถ้าเจอของดีกว่าต้องทิ้งของที่ไม่ดีนี่ประเด็นให้สังเกตด้วยนะตอนที่ว่าท่านเห็นชาวเมืองสาวธีมาเนี่ยท่านถามว่าเมืองของท่านมีอะไรดีดีที่สุดมีอะไรที่เมืองของท่าน ทีแรกก็ถามว่าเจ้าไปดินของท่านเป็นยังไงก็ถามไปเรื่อยๆโอ้ไม่มีปัญหาดียังไงถามว่าแล้วในเมืองของท่านสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรชาวสาวัตถีที่มาบอกว่าพูดไม่ได้อ่าทําไมเพราะการจะพูดสิ่งที่ดีที่เลิ่ที่สุดเนี่ยหนึ่งปากต้องสะอาดมือต้องสะอาดพูดขนาดนั้นบอกว่างั้นสั่งอามาดน้ํามาใส่น้ําเต้าทองเลยเอาจัดการล้างปากล้างมือให้สะอาด แล้วช่วยพูดสิ่งที่เลิอดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดให้เขาพระเยาฟังหน่อยก็ล้างพอล้างไปเสร็จปุ๊บนี่ยออืหันหลังให้กับพระเยาวดินหันหน้ามาทางสาวถีที่พุทธเจ้าประทับอยู่แล้วก็บอกว่าบัตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์เป็นพาาราหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาแปดเจรณาสิบห้าเป็นผู้ สเสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้แจกแจงพระธรรมรัตนะแล้วพระองค์เนี่ยมีความสามารถในการแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถึงพร้อมได้อัฏฐและบุญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสามารถทําให้มนุษย์เนี่ยธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพุทธาไดา้ สามารถทำให้บุคชนกลายเป็นอริยะได้โอ้โหพอได้ยินอย่างเงี้ยอุทานออกมาว่าปาโมดปีติเกิดพระราชทานหนึ่งแสนกะหาไนะบอกงั้นงั้นช่วยบอกมีที่เลิดกว่า น, นี้อีกไหมก็บอกว่ามีบอกพระธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงไว้ดีแล้วนะเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติสังเกตด้วยนะ เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจักพึงปรากฏชัดได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่ต้องอาศัยการเวลาเพราะงั้นทั้งตลอดได้แล้วเข้าถึงได้เลยเพราะงั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันนี้ น, นู่นอีกร้อยปีหนึ่งผลถึงจะเกิดไม่ใช่คือสามารถเกิดผลได้ทันทีเลยระหว่างมรรคผลทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาปฏิบัติจะปรากฏชัดได้ดตนเองแล้วก็ ควรเรียกให้มาดูมาพิสูจน์มาประพฤติปฏิบัติโอ้โหพระพุทธอย่างเงี้ยตนเองหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติสองพระองค์แสดงทำแล้วแล้วถามต่อไปแล้วพระราชทานทรัพย์ให้เป็นเสร็จแล้วถามว่าแล้วมีอะไรดีอีกไหมพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วไล่ไปตามดับโอ้โหมีคนยืนยันแล้วมีคนตัดสู้ตามแล้ว แล้วเราจะอยู่ทําไมเข้าใจไหมเนี่ยเอาเราเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนของสังฆะแล้วจะต้องฝึกตนเองให้ตัดสรู้ตามพระเจ้าให้ได้เพราะคนอื่นตัดสรู้ได้กับมนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยที่ตัดสรู้เนี่ยแล้วเราก็มนุษย์นี่นี่นี่เขามีตถาคตบริสุทธานะเขาเขาหันมาหาอาจทั้ง500รอยถามมาท่านทั้งหลายอท่านได้ยินเรื่องนี้แล้วท่านพูดท่านคิดอะไรกันอยู่ ส่วนข้าพเจ้าเห็นราชบัลลังก์และทรัพย์ประดุจลังก้อนเสเลดที่ปลายลิ้นข้าพเจ้าปราถนาจะครายทิ้งไม่ปราถนาจะกลืนเข้าไปนั้นราชบัลลังก์นี้ให้ท่านถือสารไว้บอกพระมะหาเถรีเราจากไปเฝ้าพระเจ้า เราจะไปเรามั่นใจว่าเราจะไปฝึกตนเองจากโุดุชนเป็นอริยะจากจากมนุษย์เป็นพุทธะจากโุดุชนเป็นอริยะได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นคําว่าตถาคตโพธิสัตวามั้ยเนี่ยแล้วพอพูดงั้นปุ๊บอุปมาอาปมาบอกโอ้โหขนาดท่านเห็นไหมขนาดท่านขนาดนั้นเนี่ยท่านยังทิ้งแล้วเราก็มีแค่บุตรภรรยามีแค่น้ำมีแค่ไร่มีแค่ทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยเ่ยเอาเอาเชื่อมั่นท่านก็แล้วกัน เอาแล้วเห็ไหมเชื่อมั่นปัญญาเชื่อมั่นความเชื่อของท่านเราเชื่อมั่นท่านน่ะเพราะงั้นเธอเราจะตามท่านไปอมาดทั้งห้าร้อยผลปรากฏว่าพระราชสารเนี่ยต้องฝากกับประชาชนนันนะบอกช่วยเอาไปให้พระเมรุสีแล้วท่านก็ชักมา้าหันหน้าไปทางสาวถีไม่รอช้าเลยควบม้ากันไปห้าร้อย เนี่ยเข้าใจคําว่าตถาคตโพธิสัตว์ไหมนี่คําว่าเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยบึงไปเรียบร้อยเลยเนี่ยทิ้งเห็นไหมไอ้ความเห็นเก่าๆความรู้เก่าๆทฤษฎีเก่า ๆ, าๆหลักการเก่าๆข้อมูลเก่าๆทั้งหลายที่ไม่สามารถนําตนเองให้ออกจากวัฏจักทุกข์ได้เนี่ยทิ้งหมดแต่วิชาการนี้แหละหลักการเนี่ยเป็นวิชาพ้นทุกข์แน่นอนที่จะนําพากระแสชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกและเรามั่นใจเราเป็นมนุษย์ เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระธรรมแล้วเราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกและฝึกได้แล้วแล้วท่านได้เป็นจริงไหมจริงแล้วบรรลุทั้งหมดไหมบรรลุทั้งหมดนี่เข้าใจคําว่าตถาคตโพธิสัตย์ยังนะไม่ใช่ตถาคตโพธิสัตย์แล้วก็ยังเงื้อง่าราคาแพงกันอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยลดไหมลดไปข้างหน้าไหมบุกฝ่าไปข้างหน้าแล้วฝึกฝนเพื่ปฏิบัติจริงๆนี่เป็นอย่างนี้นะ พอพอเข้าใจคำนี้ยัง เ, เข้าใจแต่ว่ า, าแต่อยังมีแต่ก็คือไอ้ริงที่แ <c oughs> ต่ละคนทํามาสร้างสมมาเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วก็เอ า, อางี้เข้าใจเข้าใจประเด็นที่คุณโยมจะบอกถ้าวันนั้นพระมหากปิญนะท่านคิดว่าเออมนุษย์มันทํามาไม่เหมือนกันหรอก เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สร้างบุญมามากถามว่าถ้าท่านมีความลังเรงอย่างนี้ปุ๊บในท่านจะไปไหมไม่ไม่ไปเนี่ยท่านจะไม่ไปหรอกคื อ, คอที่ผมหมายทั้งวันเนี่ยไอ้สิ่งที่สําคัญก็คือว่า <c oughs> ถ้าเผื่อว่าเราเราเร า, เราคิดว่าเราทำมาเยอะแล้วทําเดียวๆก็เสร็จเนี่ยคือประเด็นก็อย่างนี้อย่างนีเข้าใจ คืออันนี้จะตั้งอยู่ในความประมาทหรือเปล่าใช่คือคือประเด็นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่งอย่าดูหมิ่นพระพุทธเจ้าสองอย่าดูหมิ่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงสามอย่าดูหมิ่นตนเองก็ขอว่าพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้เวลาที่จะตรองว่าจะประเด็นประเด็นที่จะสอนคนดีไหมเนี่ยทั้งที่บำเพ็ญมากี่แสนมหากราบเนี่ยแต่ว่าพอถึงขั้นสุดท้ายที่ท่านบรรลุแล้ว ท่านก็ยังบอกว่าเอ๊ะแล้วอ็มนุษย์พวกนี้มันจะรู้เรื่องสอนมันดีไหมนี่คือประเด็นคืออย่างนี้เข้าใจตรงนั้นตอนที่พระพเจ้าทรงนขนไถ่เนี่ยถามพราะอะไรรู้ไหมมีสองประเด็นประเด็นที่พระพเจ้าทรงตั ด, ตดสรุนั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งใช่ไหมปฏิตรุบาทเป็นต้นเหล่านี้เป็นธรรมะที่เห็นได้ยากอริยสัจสเป็นธรรมที่เห็นได้ยากอันนั้นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่จะไม่มีคนเห็นประเด็นที่สองคืออะไรประเด็นที่สองคนในยุคนั้นเชื่ออะไรเชื่อพระพรหมอ่า เมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าดำริอย่างนี้แล้วเนี่ยพรมต้องเดือดร้อนใชสามดีพรมเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนเหตุผลเพราะสามดีพรมเป็นใครก่อนสามดีพรมในศาสนาของพระกัสสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นภิกษุในศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทําปฐมฌานที่เกิดขึ้นท่านได้บรรลุธรรมแล้วต่อมาท่านเลยไปเกิดเป็นปฐมฌานภูมิฉะนั้นคนไปเชื่อพระพรมเนี่ยเป็นผู้สร้างเพระพรมเป็นผู้ดนบันดาลพระพระพรมเป็นผู้เนรมิต เมื่อคนในยุคนั้นเอาศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นไปฝากไว้กับพรหมแล้วเนี่ยเป็นความเป็นความลําบากในการที่จะสอนให้คนเชื่อพรหมแล้วมาเชื่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตำหลิอย่างนี้แล้วเป็นหน้าที่ของพรหมทันทีพร้อมๆได้พรหมในหมื่นจั ก, กรวาลทั้งหลายลก็ ล, ลงมาแล้วประกาศยืนยันว่าตนเองไม่ใช่สามาสำมุทังไม่ใช่เ <c oughs> ออตนเองไม่ใช่สยามภูยานตนเองไม่ใช่เป็นผู้สร้างตนเองไม่เป็นผู้เนรามิท พราะคนที่จะไปเป็นพรมได้ต้องเดินสมาธิเดินสมาธายัางไงต้องทําฌานสมาบาททัติให้เกิดขึ้นอย่างไรฌานไม่เสื่อมอยังไงถึงจะได้มีอัิยภาพความเป็นพรมฉะนั้นมนุษย์พรมไม่สามารถจะไปโดนบันดาลแค่ได้หรอกฉะนั้นข้าพเจ้าเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระรัตนตรยัยฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงนะจงเอาสัจศรัทธาเนี่ยอย่ามาติดอยู่ที่พรมจงน้อมศรัทธาไปที่พระตถาคต ใช่ไหมเขาก็เลยมาสร้างว่าพรหมที่เอราวัณนี่แหละใช่ไหมต้องมาใช่ไหมเขาสร้างพระพรหมที่เอราวัณนี่คือพระพรหมคติพุทธไม่ใช่กระทมคติพรามนะนี่คติพุทธนี่นะไม่ใช่นี่คติพุทธเห็นสังเกตดูที่ถามว่าว่าให้สังเกตดูเดียวทาไมเขาถ้าถามว่าวันไหนที่เขาไม่ให้ไปไหว้พระพรหมวันพระ ขึ้นไปไหว้ผมไหมวันพระเนี่ยพราะผมจะไม่รับเครื่องเส้นเพราะอะไรวันนั้นน่ะพระพรหมไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าเห็นไหมเขาไม่รู้อีกครับพุทธเราเนี่ยขเขาเสร้างเป็นคติไว้ให้เพื่อให้เราเนี่ยประเด็นที่สองหนึ่งแทนที่เราไปหาพระพรหมเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าควรจะไปวันไหนไปให้ถวายเครื่องเส้นวันไหนทุกวันนี้ม่วมหมดแล้วแท้จริงวันพรากันห้ามเพราะวันนั้นพรหมไม่อยู่ ใช่ท่านไปเฝ้าใครไปเฝ้าพระเจ้าแล้วประการต่อมาคือคนเราเวลาไปหาพระพรหมก็ไม่ถามว่าท่านไปเฝ้าพระเจ้าท่านไปฟังเรื่องอะไรมา <laughs> ก็จึงบอกว่านับถือพรหมจนองค์พังก็ไม่สามารถเข้าถึงพุทธได้ใช่หมแทนที่จะเดินผ่านพระพรหมไปเฝ้าพระเจ้าเพราะพระพรหมเนี่ยท่านทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วว่าให้ทุกคนเนี่ยจง ปล่อยศรัทธาไปที่พระพุทธเจ้าอย่าปล่อยศรัทธามาที่เราเพราะเราก็ยังปล่อยศรัทธาไปที่พระพุทธเจ้าเลยเข้าใจไหมเออทีนี้เราไปหาพระพรหมก็ไปติดอยู่ที่พระพรหมไม่สามารถเดินผ่านพระพรหมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ที่เขาสร้างรูปพระพรหมเนี่ยเขาต้องการจละลึกถึงคุณท่านที่ท่านอาราธนาพระพุทธเจ้าพราะโปลดพวกเราท่านมีความดีในฐานะที่ท่านเนี่ยอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรม ใช่ไหมถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระรหเนี่ยก็ทาให้สาธุชนทั้งหลายค่อยเผย่ไม่จริงเพราะพะไม่ใช่แทนที่จะให้ตรงนี้ทานตรงไม่ใช่หรอมาแวะมาถามทัาหน่อยว่าไม่ใช่แชนโรงงานที่สร้างโลกงู่นพระพุทธเจ้ากั้งหายไม่ใช่ไม่ได้มาละ่านนะดเรื่องไม่มีคนี้มีแล้วมมาจะโกาที่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คืออย่างนี้หลักการก็อย่างนี้ว่า พระพรหมเนี่ยท่านเปื้อนตนเองแล้วว่าท่านเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเชื่อพระพุทธเจ้าท่านฝึกตามคําสอนพระเจ้าท่านจึงมาเกิดเป็นพรหม mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แล้วก็ท่านก็บอกว่าขอให้สาวทุกชนหรือขอให้มนุษย์ทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาที่พระตถาคตคือที่พระพุทธเจ้า mm hmm. ท่านบอกเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ท่านเปื้อนตนเองแล้วแต่เราต่างหาก ใช่ไหมไปไปมาเนี่ยแทนที่เราจะฟังพระพรหมท่านพูดแล้วไงไหมเหมือนกับกรณีที่ว่าใช้นิ้วชี้ไปที่ดวงจันทร์เนี่ยเขาให้ดูอะไรให้ดูดวงจันทร์ไม่ใช่มาดูที่นิ้วใช่ไหมหรือไม่ใช่มาดูคนที่ชี้นี่เหมือนการพรหมก็ชี้ไปที่ใครชี้ไปที่พระเจ้าแล้วมาแล้วเออแล้วมาแล้วไปไปหาที่พรหมทําไม ผมนั่นบอกว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ประกาศยืนยันว่าอย่ามาเชื่อท่านเพราะท่านยังต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเลยท่านจึงสามารถแต่สรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มองออกไหมนี่ฮะกลับมานหนึ่งที่เรื่องของว่าประมาทตัวเองหรือเปล่าหรือศักยภาพตัวเองเนี่ยยังไม่เชื่อเลยคือจ ร, จริงๆแล้วเนี่ยผม ผมว่าผมไม่ไม่ได้สดประมาทในศักยภาพตัวเองเนะแต่ว่า <c oughs> ทุกครั้งเนี่ยที่ผมได้ยินไม่ว่าจะพระกะด็ดีหรือคารวากะก็ดีที่เขียนหนังสือหรือเทศอริยะความเป็นอริยะบุคคลนั้นแค่เอื้อมเนี่ยคือไม่ว่าว่าพระหรือคารวะที่เทศหรือสอ น, นย <c oughs> อย่างนั้นเนี่ยอ๋อเข้าใจนะ <c oughs> ผมจะค้าว่าคนนี้ประมาทถึงแม้ตัวเองเนี่ยจะ สามารถจัดจะรู้ได้เป็นพระอรหันต์ภายในพรุ่งนี้เนี่ยแต่แล้วก็ท่านก็ไม่ประมา <c oughs> ทเข้าใจที่ที่ประเด็นที่คุณโยมถามมาก็คืออย่างนี้เออเวลาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งเป็นความรู้สองเป็นความเห็นดังที่ได้กล่าวก่อนนะนี่ประเด็นเมื่อเรารู้คาสอนแล้วเนี่ยประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าเราเจอคนที่เขากล่าว จะกล่าวผิดกล่าวถูกอะไรต่งตางๆก็แล้วแต่เนี่ยเออหนึ่งต้องตั้งท่าทีทางใจให้ชัดนะให้ตั้งท่าทีทางใจให้ชัดก่อนว่าที่เขารู้มาที่เขาพูดมาเนี่ยเออเขามีความเห็นอย่างไรหรือว่าเขาหมายถึงอะไรก่อนนะะอ้ยังยกตัวอย่างนะกรณีที่พูดว่าการตัดสรู้เหมือนพิกฝ่ามืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไปอ่านตรงไหนมาเขาไปฟังตรงไหนมาแล้วเขาไปเชื่อตรงไหนมาแล้วเขามาพูดนะนี่จับประเด็นได้ได้ ได้หลักการถ้าเราศึกษาให้ละเอียดละออเราจะเข้าใจนะีจะเข้าใจว่าบุคคลเนี่ยมีสี่จำพวกหนึ่งอุคติตัดอยู่ใช่กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะตัดสรุปได้อย่างรวดเร็วเพียงตั้งหัวข้อขึ้นเท่านั้นเองนี่มีแทงตลอดอย่างยกตัวอย่างเช่นใครอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอ่าบ่ พระอสชีสแสดงว่าเยธรรมมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตุมตถาคโตอะหะเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมมโนทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้ากล่กาวทังเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้เรายังไม่เข้าใจแยกอะไรไม่ออกเลยนี่แหมนี่เนี้ยอันนี้นี้เข้าใจตรงนี้ก่อนนี่คือกลุ่มอุคติตัญยูนะเนี่ยโอโอคติตัญยู ถามว่ากลุ่มโอกติตันยูเนี่ยเขาสั่งสมอะไรมาเขาจึงได้อย่างนี้เขาสั่งสมสุตตมยาปัญญากับจินตามายาปัญญามาดีมากนะสุตตามยาปัญญาเนี่ยก็คือว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการฟังมาจากกัลยาณมิตรหรือจากท่านผู้รู้จากครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสั่งสมมาในอดีตมาค่อนข้างดีนะกลุ่มนี้นะสั่งสมมาบางคนเนี่ยสั่งสมได้แค่สุตตะแต่ไม่มีสุตตามยาปัญญา เข้าใจไหมได้แต่ข้อมูลแต่ไม่สามารถจะจคิดให้มอกนอกไปจากข้อมูลได้หรอกใช่ไหมข้อมูลได้ข้อนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะคิดให้ลึกไปกว่า น, นั้นหรือว่าให้กว้างไปกว่า น, นั้นหรือคิดให้เข้าถึงได้ไม่ได้ก็เลยได้แค่สุดตะแต่ไม่มีสุดตาปะยญปัญญาแต่บางคนเนี่ยไง ได้สุตตามยปัญญาแต่ไม่สามารถพัฒนาไปถึงจินตามายปัญญาก็คือเอามาไข่ควนด้วยกําลังของโยนิโสมรัสิการเนี่ยใส่ใจแล้วใส่ใจอีกจนสามารถเห็นเหตุเห็นผลส่วนมากกว้างไกลและลึกกว่าสุตตาอีกก็ยังไม่ได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเข้าถึงภาวนามยปัญญาคือการปฏิบัติบันพิ น, นคือสามารถเข้าถึงได้สัมผัสจากคําสอนตรงนั้นได้แต่ละระดับอย่างนั้นได้จริงๆอันนั้นก็ว่ากันอีกทีนี่นะประการที่2คือวิปปจิตันยู วิปจีตันยูก็คือฟังโดยพิสดารและบรรลุได้อย่างยกตัวอย่างเช่นท่านัญญาโกนทัญญาว่า ป, ป่าพัติยามหานามะอาสชิโอต้องฟังสูตรยาวเลยใช่เอวะเมสุตังเยกังสมยามภาควาบารนานซียามิหาติสุปเทเนียเมตตาเยเนี่ยยาวเลยนะว่ากันจะใช่หอย่างนี้ฟังให้พิศดารบรรลุได้เหมือนกันเนี่ยนกลุ่มนี้เขามีอะไรมีสุดตามยปัญญามาดีแต่จินตกราวน า, นาต้องอาศัยจากการฟัง ฟังั ง, งแล้วก็สามารถพัฒนาไปถึงภาวนาไปเนี่ปัญญาเปน็นต้นได้นิพการที่3ามทักษเนยยะเนยยะเนี่ยทั้งสุตตาและจินตานี่เบาบางมากๆนั้นกลุ่มเนี่ยจะต้องมาเพียนแล้วเพียนอีกพยายามแล้วพยายามอีกสั่งสมแล้วสั่งสมอีกไข้รลวนแล้วปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกเนี่ยแต่ที่สุดจริงๆก็สามารถพันตนเองให้แต่สะรูตามได้ใช่ไหมนั้นในเวในจึงมี3กลุ่ม1อุคติตันยูสวิปจิตตันยูสเนยยะส่วนปฐาประมะไม่ต้องพูดถึง สุตาก็ม่มีจินตาก็มีใช่ไหมอันนั้นเป็นบุคคลที่ก็สั่งสมอัธยาสัยเพื่อเป็นปัจจัยในภพต่อไปได้ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่หมดโอกาสสรุปแล้ว4บุคคลเนี่ยสามารถจะฝึกได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าได้แต่3บุคคลเนี่ยได้ทีนี้ประเด็นที่เขาถามว่าพลิกฝ่ามือเนี่ยต้องต้องเข้าใจประเด็นนี้ว่าถ้าเราศึกษาใกล้เคาสอนมาอย่างดีภบเราจะรู้เลยว่าตั้งแต่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นตัสรู้นุตตะสมาสมาสัมภิริยาณมาจนถึง 1,000 ปียุคเนี้ งันะ้นอุคติตันยูวิปจิตันยูจะเกิดในยุคนั้นเข้าใจนะงั้นะยุคนี้จะมียุคคนตัสรู้เร็วพันและตัสรู้แบบพิสดารฟังเมื่อฟังโดยพิสดารตัสรู้เนี่ยยุคที่พระเจ้า<ม>หนึ่งตั้งแต่อุบัติตัสรู้จนถึง 1,000 ปีคือมาหลังพธโคษาอีกอีกราศรีร้อยปีอนะไรประมาณนั้นแหละหนึ่งพันปีงั้นะพอครบหนึ่งพันปีปุ๊บหลังจากนั้นมานี่สองบุคคลนี้หมดแล้วในโลกเว้เราต้องเข้าใจก่อนนะ เหตุผลก็เพราะว่าเมื่อการล่วงเลยมาครบหนึ่งพันปีก็คือสิบชั่วคนใช่ไหมชั่วคนหนึ่งก็คือร้อปีเป็นอายุขัยนะสิบชั่วคนเนี่ยสองบุคคลแรกเนี่ยหมดตั้งแต่11ชั่วคนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็คือ25้าชั่วคนเราผ่านพุทธเจ้าพระเจ้าปาริณิพานมาจนถึงพวกเราเนี่ยยี่สิบห้าชั่วคนนะพวกเรามาอยู่ในกึ่งเนี่ย ตึงพุทธกาลเนี่ยยี่สิบห้าศตวรรษยีิบห้าชั่วคนไม่ไม่ใช่นานนะไม่ใช่นานนะถ้าเรามองยี่งปุ๊บเนี่ยแปลว่าเหลือในยกะกบฏอะไรมาฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อพลิกฝ่ามือตอนนี้ไม่เกิดมันไม่มีต้องเข้าใจก่อนฉะนั้นถ้าเขาพูดพลิกฝ่ามือเคยยุคตั้งแต่พระเจ้าอุบัติจนถึงหนึ่งพันปีตอนนั้นไอ้กรณีมาพูดว่ายุคนี้พลิกฝ่ามือเนี่ยแปลว่าเขาหลงยุคเราต้องเข้าใจเขา ต้องเข้าใจก่อนคือดูดูอะไรเกณฑในการวัดว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันง่ายง่ายนะชื่อู่นไหมสัตยายุทธิสัายทิิ้งแล้วไม่มีแล้วตัวตนแมวแล้ววิจิตอิจฉาความรังเรสงสัยเข้าใจแล้วพระวิัสสนสมม่มีแล้วศีลปารามาส ไปไหว้เจ้าแต่ไหว้กุยตานียอะไรผมก็ไม่ทาแล้วเราเผมไม่ใช่พระอาริยะบุคคลแล้วผมจะเป็นอะไรก็าชื่ออย่างนั้นใช่ไมครับโอ้เพราะสามข้อดูมันง่ายนะฮะง่ายสกายเจจีไม่คือไม่จะไม่เข้าใจแบ่ใคเจะจิงผู้หญิงผู้ชายใครผมไม่แต่คือต้องเข้าใจนะว่าความเข้าใจที่เอาความเห็นไปเป็นความรู้เนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้เนาะถ้าถามอย่างนี้ว่า ไอ้คาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นีน่ยกับคําว่าไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นเนี่ยมันต้องแยกให้ออกเข้าใจคํานี้ไหมไอ้ไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันออมันเนี่ยมันเอามาจะอุปมาบ่อยในเรื่องตรงเนี้ยมีคนเขาถามว่าถ้าปัญญาถ้าพัฒนาปัญญาฝึกฝนพัฒนาปัญญาเนี่ย จนสามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นมาแล้วสามารถไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงถึงจะเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยนะไม่ใช่ไม่รับผิดชอบนะคนละเรื่องกัน น, อนะอวพอุมาเนี่ว่าสมมติเรามีเรามีเพชรอยู่ประจำตระกูลของเราใช่ไหมแล้วเราก็มีความ เชื่อแล้วก็มีความยึดถือว่าเรามีเพชรประจําตระกูลเรามาหนึ่งชั่วคนสองชั่วคนผ่านมาจนถึงยุคเราก็เชื่อกันมาตลอดปู่ตายายายายก็เชื่อมาถึงยุคเราปุ๊บเราไม่ใช่อยู่แค่ตรงนั้นเอ๊ะเราต้องเรียนรู้ไอ้เพชรแท้เพชรเทียมเป็นยังไงก็ไปศึกษาจนสามารถมาส่องดูรู้เลยว่าเพชรเนื้อดีไม่ดียังไงน้ําดีน้ําไม่ดียังไงจนละเอียดเราอาไปเสร็จปุ๊บห <c oughs> นักเข้าก็เอาเพชรที่เขายึดมากันมาเนี่ย ตระกูลเรายึดไมล์เรามาส่องดูแล้วก็มาตรวจถ้าผลปรากฏว่าเรามาดูแล้วเราเราเียนแล้วเราเกิดความเข้าใจด้วยปัญญาที่เราศึกษามาอย่างดีเพรารู้ว่าไอ้เพชรนี้มันเป็นเพชรปลอมไอ้ความยึดมันหายไหมหายไม่หายไอ้ความที่เคยยึดว่าเป็นเพชรจริงๆมันจะหายไปไหมเ อ, เออมันหายไปแล้ ว, แ ล, วแล้วยังยังอยากได้เพชรนั้นอีกไหม ย, ยังจะรักษาเพชรนั้นไว้อีกไหม นั้นความว่าไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเนี่ยมันเกิดจากปัญญาอย่างนี้เหมือนกรณีที่ไปเห็นความจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปเห็นความจริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเห็นความจริงของกระแสชีวิตว่าสาภาวะความจริงของมันน่ยมันเกิดดับสืบต่อเร็วยิ่งกว่าฟ้าแลบแล้วเราจะไปยึดออกสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ย ที่มันเกิดดับสืบต่อเร็วรวดเร็วอย่างฟ้าแลบเนี่ยว่าเป็นอัตราตัวตนน่ยมันไม่ควรจริงๆเลยเพราะมันไปเห็นได้ด้วยตนเองไปเข้าใจได้ด้วยตนเองไปเห็นอย่างถ่องแท้อย่างนั้นเห็นในลักษณะอย่างนี้เขาจึงเรียก ว, ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่ใช่ว่าไปเห็นโดยการมาคาดคะเนมาเดาเอาหรือมาคํานวณเอาแล้วเบ็ดเสร็จก็บอกเออไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยคิดเอาว่าที่นั่นแหละเห็นไหมใช่คิดเอาว่าตอนนี้นนคิดเอาว่าแต่เห็ น, น, นไห ม, ม น, นั้น น, นั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัด ฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าไปบอกว่าการตัดสรุเนี่ยง่ายก็พลิกฝ่ามือก็ต้องบอกว่ายุคไหนแล้วใครนะต้องต้องต้องบอกด้วยถ้ายุคปัจจุบันยุคนั้นหมดจริงๆต้องยอมรับนะอา้าวสังเกตได้ไม่ยากถ้าบอกว่าคนคนั้นน่ยว่าง่ายก็พลิกฝ่ามือเอาเดี๋ยวอย่าเอาพุทธพจน์ใช่ไหมอย่างเช่นเราบอกว่าเยธรมมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคโตอาหะ เตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาธีมหาสมณวะบรรลุไหมงั้นนี่ฟังฟังเหมือนกันก็ใช่ไงก็คุณว่ามันก็ง่ายก็ใช่เนี่ยกถาบาตรเดียวคุณต้องบรรลุสิเพราะเพราะคุณประเภทที่คุณพลิกปามือนี่นี่คุณก็รู้แล้วว่านี่คุณไม่ใช่อุคติตันยูแล้วก็ไม่ใช่วิปปิเอาถ้างั้นอยากจะวางวิปปิตันยูไหมเราก็เอาเลยเอาสูตรเลยเอาอนัตตลกน่สูตรอาทิตตบริยาสูตรแสดงพวพวกพวไปเลย ยังไม่รู้เรื่องอีกอันนี้คุณก็ไม่ใช่วิปจิตัตนยูเแปล้วหมดแล้วอันนี้เป็นยุคเนยะเนยะบรรลุได้ไหมได้แต่ต้องฝึกต้องฝึ ก, ตกแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะบรรลุเออต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนพอจะมองจับประเด็นออกไหมเอ อ, อเพ <c oughs> ราะหลักกรรมละคนเชื่ออย่าง น, นะๆๆนั้นเยอะเชื่อทีนี้ก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าความเชื่อความเห็นใช่ไหมกับความจริงก็แยกให้ออกใช่ไหมแยกให้ออก เขาจะบอกว่าบรรลุแล้วอะไรบรรลุแล้วได้อะไรถ้าบรรลุอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งบรรลุก่อนจะดีไหมก็ต้องไปคุยกับเขาใช่ไหมถ้าบรรลุแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยช่วยอย่าเพิ่งบรรลุเร็วได้ไหมใช่ไหมว่าบรรลุแล้วรู้สึกเดือดร้อนน่ะไหมก็อย่าไปโกรธเขานะก็สิ่งที่เราควรทําก็คือการให้ข้อมูลความรู้<า>อ่ะบางทีบางทีคนที่เขาพูดอยนั้นน่ยผมว่าการที่เป็ป้าอาโซดาบะเนี่ยแค่พิชความมือเท่านั อีกแง่หนึง่งไปนี้ด้านนะครับว่าเขาพูดเพื่อให้คนปฏิบัติในกำลังใจว่าการที่เป็นใครเกดจ า, ากภูมชนเนี่ยใครคื อ, <ป>อไม่ปร ะ, ประเด็น อ, อย่างเข้าใจประเด็นอย่างนี้อยอมว่าขออภัยนะว่าเออต้องถามว่าคําว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันง่ายกว่าพลิกฝ่ามือเนี่ยเออพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนเออเอาตรงนี้ก่อนเอาข้อมูลกลางก่อนใช่ไหม เอาพระเจ้าตลัดที่ไหนก่อนอ้าวถ้าบอกหาข้อมูลกลางในพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันหาไม่เจอแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่านั้นเป็นความเห็นนะใช่ไหมไม่ใช่ความรู้แล้วไอ้เป็นความเห็นนั้นเมื่อเป็นความเห็นก็ฟังได้ใช่ไหมคุณจะพูดก็ได้แต่ก็ต้องบอกนี่คือความเห็นความจริงก็คนละเรื่องกันแล้วแต่นี้ยก็แค่นี้แสดงได้แสดงแสดงความเห็นถ้าบอกว่าถ้าแยกความเห็นกับความจริงหรือกับความรู้เนี่ยตอนนี้ก็เราก็จะไม่เดือดร้อน ใช่มอันนี้เป็นความเห็นนะและเป็นความเห็นของใครเป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนเป็นใครก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ความรู้แต่ความรู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าตรัสยังไงในสติปัฏฐานสี่อัญมณีสงในในอริในสติปัฏฐานสอันิณีสงเอกายโนยังพิเขเวมะโคสตานังวิสุทธิยาโสกกะบริเทวนังสมติกยามายายาญาสอาทิมาญาณิพานะสัสจิกิริยาญาติทางจัตตาโรสติปัฏฐานาไล่ไปตามดับไปถึงตอนท้ายในท้ายพระสวดนี้จะบอกว่า ขนขวายเต็มที่นะหนึ่งเจ็ดวันสองเจ็ดเดือนสามเจ็ดปีสิบปีสาสิบปีหกสิบปีก็มีนะประเภทหกสิบปียังมีเลยนะยังไม่เห็นมีพิกว่ามือเลยนะยังขนาดอย่างเร็วเจ็ดวันเจ็ด ว, วันนะเอออันนี้นนนนมีมีหลักสูตรเออมี ม, มีมีข้อมูลอย่างนี้ไหมถ้าเราพูดอย่างนี้ปุ๊บก็โอเคแล้วเราก็จะไม่ต้องทุกข์และไม่ต้องโกรธ เมื่อกี้คุณยอมบอกแม่โกรธมากนะนี่โกรธนี้ไม่ดีผิดก็ผิดนะแต่ว่าผมก็จะบอกทุกคนที่มาต่อยตีกับผมเรื่องทํามานะผมบอกผมยังไม่เคยประกาศเลยสักตรงไหนว่าผมเป็นอริยบุคคลก็ดีแล้วประเด็นก็คือว่าคือถ้าเบื่อเป็นอริยบุคค ล, ม, ลมันต้องไม่โกรธ ไ, ไม่ใช่ประเด็นก็ อ, อย่างนั้นประเด็นก็คือว่าพอเราได้ยินอย่างนี้เราก็ต้องบอกเราก็ต้องเข้าใจนะแต่นี้นี่เป็นความเห็นแล้วเราก็ เออนี่เป็นความเห็นของคุณแต่ถ้าเขาจะถามเราแต่ความรู้เป็นอย่างนี้นะเราก็เอาท้ายสตรีประฐานสูตรเลยนะนี่ก็ออกแล้วครับเราก็บอกว่าเนี่ย <c oughs> ท้ายสตริประฐานสูตรเนี่ยท่านวางหลักไว้เยอะเลยหนึ่งเจ็ดวันสองเจ็ดเดือนสามเจ็ดปีแล้วก็ยังมีอาทิศัพท์ด้วยนะก็คือว่าสิบปียี่สิบปีสาสิบปีหกสิบปีก็มีบางมีบางองค์นะปฏิบัติหกิปีเลยในตําราขนาดนั้น อย่ั้นแต่เขาบรรลุได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่ายังไม่เคยเห็นไอ้กรณีที่คำสอนบอกว่าง่ายนิดเดียวพลิกฝ่ามือยังไม่มีที่บรรจารย์ เ, ยเห็นบอกก็ได้เห็นตรงไหนช่วยเอามาบอกดีแต่เ ย, ย่ทํามาเนี่ยเป็นเพราะคุณเลยะวันหลังผมเอาไ ว, อาไว้อัดพวกนเนี่ยแ <c oughs> <ะ>ม่ดีไม่เจอทำมาเฮตุบาปวาเตสังเฮตังตะโตตะตาก็โตเนี่ยบรรลุยัง เอาเอมีประเด็นอะไรต่อไหมของของไม่มีแล้วฮะอ่าท่านี่านท่านช่วยนะฮะนำทางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติท่้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะได้เราจะได้ไม่ใช้เวลาต่อไปในนั้นข้างหน้าเนี่ยนะที่จะเริ่มปฏิบัติได้มากขึ้นคือเดี๋ยวนี้ก็จี่พระเจ้าเราก็คุยกันไปส่วนหนึ่งนะเรื่องของอ่า ท้งสองทางวพภัศาสนากับสมถะเนี่ยอันนี้ก็ก็จะว่าเจ้าบ้านอย่างผมต่อยเตะกันเลยปลาอย่างต่อยกันเลยเนยพของใครของใครทูกทางของใครดีอยากอยาฟังอาจารย์คื อ, อ, อประเด็นก็คือ <c oughs> ในในในหลักการในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เออต้องเข้าใจก่อนว่าหลักศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติใช่ไหมจะพูดหลักอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจา้าประซค์พูดถึงตัวทุกขตัวปัญหาก่อนใช่ไหมไม่เห็นว่าเออมันเป็นทุกอย่างไงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระแสะของชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกอย่างไงมันเดือดร้อนยังไงมันเจ็บปวดยังไงมันประสบชาติที่ทุกยังไงชราทุกพยาที่ทุกมรณะทุก ประสบความโศกความร่าไรลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจยังไ ง, อ, งอันนี้เมื่อมีกระแสชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวปัญหาใช่ไหมมันก็มันก็แสดงผุดขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเราประสบกันอยู่นี่แหละอันนี้คือทุกข์แล้วทีนี้พระองค์ยกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เกิดปัญญาฉุกคิดได้เห็นว่าตอนนี้เรากําลังเผชิญกับอะไรเรากําลังเผชิญกับหันตภัยคือความเกิด มันตะไพคือความแก่มันตภัยคือความเจ็บไข้มรนตะไพคือความตายมรนตะไพคือความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและความครับแค้นใจอันนี้เป็นมหันตภัยที่ใหญ่มากที่มวลมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อเจอมหันตภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้กันแล้วก็ไปกันไม่เป็นไม่รู้ทางออกไม่เห็นทางรอดว่าชีวิตมันจะรอดมันจะปลอดภัยมันจะหนีจากัยเหล่านี้ได้ยังไง ไม่ต้องทู่ถึงภัยข้างนอกแผ่นดินไหวน้ําท่วมภูเขาไฟระเบิดโลกร้ายทั้งหลายเหล่านี้ตลอดถึงเกิดการแข่งแย่งยิ่งดีกันชิงชังกันมีการเข่นข่ากันนี่คือทุกมาจากไอเดียขันห้านี่แหละมันก็แปลเปลี่ยนออกมาโอ้เป็นภัยระดับโลกนะวางันเถอะระดับโลกที่มันผันผวนกันอยู่ทุกวันนี้มันมาจากอะไรนี่คือตัวปัญหาชัดๆเลยตัวหมันแตภัยตัวทุกจริงๆเหเวลาพระเจ้าจะชี้อะไรต่างๆขึ้นมาก็ต้องชี้ตัวปัญหาชี้ตัวทุกนี่ได้เห็น และให้มนุษย์เห็นง่ายแล้วไปจักกันได้ชัดๆว่ามันมีอย่างนี้จริงๆแล้วตอนนี้เราก็ถูกทุกเหล่านี้ท่วมทับที่บอกว่าถูกความทุกข์อย่างลงแล้วถูกความทุกข์เบียดบังระบบบังบีบคั้นแล้วมีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วใช่ไหมในเบื้องหน้าที่เราจะกระแสชีวิตจะดําเนินไปก็ไปประสบอันนี้แหละประสบชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์มรณะทุกข์โศกกาปริเทวะทุกข์กระทมนัสสาวุปายาตปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นื้ เมื่อปราถนาจะหลุดพ้นแล้วเราไม่หลุดพ้นเราก็ต้องประสบชาติทุทกชะลาทุกอยู่เรื่อยไปเนี่ยคือเรื่อเราเราประสบความเราถูกความทุกอย่างลงแล้วนะแล้วถูกความเจ็บปวดนี่บีบคั้นเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยและเราก็จะต้องเจอความทุกข์ที่จะเป็นไปในเบื้องหน้ากระแสะชีวิตของเราที่มันจะสืบต่อกระดับสืบต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องไปเจอทุกเจอภยัยเจอโทษอย่างนี้อย่างนี้ถามว่าอันนี้เป็นความจริงใช่ไหม เออนี่ถามพวกเราด้วยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าถามม่นใช่ความจริงไหมใช่ไม่ใช่พูดเกินจริงหรือว่าจริงจริงจเป็นแบบนี้จริงๆเป็นแบบนี้เออเนี่ยอันนี้เห็นจริงตามใครตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเห็นอันนี้เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่แสดงคาดคะเนคิดว่ามันน่าจะต้องเจ็บปวดคาดว่าไม่ใช่เลยความจริงเป็นอย่างนี้และทุกวันก็ประสบกันอยู่อย่างนี้ แล้วก็ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดแก่เจ็บตายโศกลาไรลําพันเนี่ยบีบคั้นตลอดทั้งทุกภายในและทุกภายนอกฟังกันเถอะมันมาจากมีกระแสของชีวิตนี่แหละมัน ต, ต้องประสบทุกเยอะแยะไปหมดเราเจอเจอทั้งเจ็บปวดแสนทรมานทั้งหลายเหล่านี้เจอความแก่งอ่อมของอินทรีย์เจอสภาพของอผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยตอนนี้มันทําหน้าที่วิปลาดผิดเพี้ยนเนี่ยนี่เขาเรียกทยาธิ ผมเนผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งหลายมันหยุดทําหน้าที่เขาเรียกมรณะใช่ไหมเราเห็นมันเป็นทุกข์ใช่ไหมก็เอออย่างเงี้ยนะะนี่พุทธยากเราเห็นอะไรให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่านี่ทุกข์แล้วแต่นี้เอาละพอพูดถึงผลตัวนี้ว่าเป็นทุกข์ก็ชี้ว่าแล้วเหตุที่ทําให้ทุกข์เหล่าเนี้มันเกิดดับสืบต่อที่ทำมันพุ่งขึ้นมานี่มันมาจากอะไรชี้ไปเลยตั้นหา ใช่ไกรรมตัญหาเป็นยังไงเพราะว่าตัญหาวิภพะวตัญหาเป็นยังไงอาวิชาคือความมืดบอดความไม่รู้นี่แหละมันทํากรรมยังไงแล้วอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสังขารกรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นตัวกระทํามาแล้วในอดีตและกําลังทําในปัจจุบันเมื่อทํามาแล้วมันเป็นตัวสร้างอะไรเนี่ยสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์มดแล้ะทุกข์พอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกข์เหล่านี้ก็ขยับเค ย, ยื้อนเคลื่อนไหว นั่นก็เปลี่ยนแปลงไปตามทุกทกระทุกทุกบีบคั้นด้วยความไม่เที่ยงบ้างถูกบีบคั้นกดทับด้วยความเป็นทุกข์บ้างแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมและบังคับบัญชามันได้บ้างมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่อาตาตัตราตัวตนใดๆที่เราจะไปควบคุมบังคับบัญชามันได้เลยทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของอวิชชาอาวิชชามันสร้างอะไรสร้างตาหัวจมูกเล่นกายใจตัณหาสร้างตาหัวจมูกเล่นกายใจ อุปาทานก็สร้างตาหูจมูกลิ้นใจใจกรรมที่มันบว ก, กอวิชชาตันหาบาทานทั้งหลายเนี่ยมันก็สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจทําให้เราต้องประสบชาติภัยชราธิภัยมรณะภัยใช่ไหมอันนี้ก็เหตุของทุกจิงไม่จริงทีนี้นิโรธถ้าดับอวิชชาตันหาบาทานสังขารกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดับก็คือทกิเลสนิพพานใช่ไหม คำว่ากิเลสนิพานก็กิเลสมันดับแล้วมันไม่เกิดอีกมันถูกประหารโดยปัญญาอันยิ่งแล้วโดยปัญญาในอริยมรรคแล้วนี่เขาเรียกกิเลสนิพานพระเจ้าทำกิเลสให้นิพานที่ใต้พระต้นพระศรีหมหาโพวันเพ็นขึ้น15บห้าข้ามเด่นหกที่แทงตลอดอริยสัจสีบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นวันนั้นพระเจ้าทำกิเลสให้นิพานยังไราคาโทสะโมหานี่หมดสิ้นจากกามุลลขัน และสันดานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่กิเลสนิพานแล้วนี่พระองค์ได้นิพานได้สาวุปาทิเสสนิพานแปลว่ากิเลสนิพานแต่กระแสชีวิตยังมีอยู่แล้วนับตั้งแต่วินาทีนั้นพระองค์ก็ใช้กระแสของชีวิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสเนี่ยนั้นถ้าพระปัญญาคุณบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วพระบริสุทธิ์ที่คุณกระแสชีวิตของพระองค์นี่บริสุทธิ์หมดจจากกิเลสแล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาที่คุณยังพุทธกิจ ให้บริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปจนมา45ปีที่กุศีนรลาพระองค์ก็ทำขันทะปรินิพานให้เกิดขึ้น<ม>ก็แปลว่าดับรูปเวญธนาสัญญาสังขารวิญญาณดับกระแสชีวิตโดยไม่มีการสืบต่อต่อเนื่องอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าขันทะปรินิพานใช่ไหมเราก็ควรที่จะต้องทนานิพานสองอย่างเงี้ยให้เกิดขึ้นหนึ่ง ทำกิเลสให้นิพพานสองเมื่อกระแสะชีวิตนิพพานแล้วจะได้ไม่เคยมีการสืบต่ออีกเขาเรียกนิพพานที่ถูกต้องใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้อันนี้ควรไหมควรให้กระแสะชีวิตเนี่ยบอกว่ า, วาชีวิตควรเป็นแบบนี้ไหมควรไม่ควรควรนิพพานหรือไม่ควรนิพพานเออเนี่ยนะอันนี้เข้าใจตรงกันใช่ไหมออกระแสะชีวิตเนี่ยควรนิพพาน ก็คือควรให้กิเลสนิพพานก่อนแล้วก็ควรให้ชีวิตนิพพานโดยไม่ต้องเข้ามาประสบชาติทุกขอีกไม่ต้องมาเกิดชาลาทุกพยาที่ทุกมรณะทุกอีกใช่ไหมเนี่ยแหละนี่ก็คือว่าอ๋อถ้าทํากิเลสนิพพานได้กิเลสก็ไม่สร้างขันก็ไม่สร้างกระแสชีวิตขึ้นมาอีกกระแสชีวิตก็เลยต้องนิพพานแล้วก็หมดไปถ้าเข้าใจอย่างนี้แปลว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้อง อันนี้ควรไหมอาพอควรอันนี้สรุปแล้วมาบอกสสัจจะก็ยมแล้วนะหนึ่งบอกทุกสองบอกเหตุให้เกิดทุกคือเหตุของปัญหาสามบอกนิโรธคือนิพพานคือจุดหมายนี่คือความดับทุกนี้ที่เราจะมาเมื่อเรารู้สามประการนี้แล้วสิ่งที่เราก็จะต้องมาทำกันก็คือมรร นี่ทางดําเนินที่ประเด็นว่าเออจะทํำยังไงนี่แหละเข้าหรือยังทีนี้เข้าห ล, ห ล, หลักหรือยังก็บอกคําพูดใดที่ไม่ลงในอริยสัจสี่คำพูดนั้นไม่จัดว่าเป็นไม่จัดว่าเป็นธรรมะปฏิสันถานใช่ไหมคำพูดใดเนี่ยถ้าไม่พูดอย่างลงในอริยสัจสี่คำพูดนั้นเป็นเพอ้อเจ้อใช่ไม่ใช่ เลยหลักการเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าคำพูดใดอย่างลงในอริยสัจสคํคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลและควรเชื่อถือใช่ไมมใช่หลักการต้องเป็นแบบนี้เอาแต่เนี้ยเราถามกันว่าเราอยากเราถ ก, ถกกันมาหลายรอบแล้วเป็นชมรมที่คุยกันมานานแล้วว่างั้นเถอะอั น, นี้ต้องการอยากจะสแสวงหามักหรือต้องการอยากจะ ศึกษาหลักการของมัรข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นเรื่องใหญ่มันต้องถามว่า1เราเราเข้าใจเรื่องปัญหาและเรื่องทุกข์แล้วทุกข์และปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันให้ความเจ็บปวดจริงๆมันเบียดเบียนบีบคั้นจริงจริงละเหตุของปัญหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรละควรประหารจริงๆนิรโทษก็เป็นจุดหมายที่ควรไ้ถึง ทีนี้ถ้าถามว่ามักในเป็นกิจที่ควรเยริญถ้าถามว่าเราควรจะละความโลภความโกรธความหลงยังไงเอ๊ะถ้าถามดักสนามเงี้ยอันนี้แปลว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะจริงๆในหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยลภะโทสารเนี่ ย, าาายถามว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไปไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัตินะ ราคาความกำหนัดโทสะความโกรธและโมหะความหลงเนี่ยอันนี้เป็นประหารตปธรรมใช่ไหมเป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่ควรประหารไอ้ถามว่าเป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่ควรประหารเนี่ยเขาไปละตรงไหนมันไปละที่โลภะโทสะหรือไปทํำยังไงเออถ้าพูดตามหล่าวิยาศาสตร์ถ้าถามแบบนี้ว่าเออไอ้ไฟที่มัน ไฟที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นปัญหาใช่ไหมไฟไหม้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วเหตุที่ทําให้ไฟไหม้เนี่ยมันคืออะไรอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ไฟมันลุกขึ้นมาฮะเราก็นี่โอ้อนนั่นแหละนะั่นแหละน่ะอันนี้มาใช่ไหมถ้าดับไฟเสียได้นะฮะอันนั้นเป็นนิโรธใช่ไหม เลยมากคือวิธีการนี่วิธีการที่จะดับไฟเนี่ยทายัางไงตามเหตุปัจจัยโอ้อันเนี้อันนี้เยอะเลยนะเนี่ยจะเป็นไฟมันลุกกองใหญ่หรือ ก, กองเล็กนี่ต้องไปว่ากันแล้วทีนี้จะใช้ระบบดับเพลิงหรือจะใช้ระบบไ อ, ไอที่ดับหรือจะใช้ระบบรถดับเพลิงหรือจะใช้น้ําอะไรเนี่ยโอ้วิธีการนี่เยอะนี่คือมาร์กใช่ไหมหลักการคืออย่างนี้ฉั้นตรงนี้ก็เหมือนกันว่าเราต้องการอยากจะได้หลักวิธีการตรงเนี้แล้วก็ ไปบอกว่าที่ตรงสํานักนั้นมีมักถือข้อปฏิบัติแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมจริงไหมจริงเ อ, อตรงโน้นใช้วิธีการนี้ตรงนี้ใช้วิชาการนี้อั น, นเราไม่พูดถึงกันแนละ้เรามาพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไง <c oughs> ดีไหม <c oughs> <c oughs> อา้าวมีใครจะเสริมประเด็นตรงนี้ไหมนี่เราทุกสมุดไทยนี้โหลดนี่อันนี้บอกว่าโดยสรุปจบแล้วนะต่อไปมักวิธีการ ผมไม่แน่ว่าเรานั่นป่าพูดรู้ปล่าคือที่ที่มาจริงๆริงที่ทั้งพวกที่มาทั้อยากจะมาสอนไม่ได้ไม่ได้สอนรายละเอียดของมารนะครับสอนจริงๆอะไรนั้นวิธีนั่งสมาธิประมาณนี้ะคือแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราข้นไปหรื่คือมาังการนสมาธินี่ก็มีหลายสำนักนะฮะดูลมหายใจเข้ายืดคองดู้องดูตางๆทีาฐาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่ง เอาสมาธโดยตั้งสมาถะเป็นจุดไว้ก่อนนะหมายว่าเท่นที่จุดใดขึ้นขึ้นตัวแบบสมาถะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็พวกพวกเรามื่อจากเราไม่เคยปฏิบัติกันเป็นปกติบค น, นเคยปฏิบัตมาแล้วหยุดไปอะไรนรี่นะฮะก็เลยรู้สึกว่าในที่เราอายุ ป, ประมาณเนี่ยเราควรจะตั้งต้นปฏิบัติคือตั้งสมาธิอย่างไรอะไรประมาณาอ่ น, นี้นะถ้งนั้นก็ในหลักมายกในพระสูตรนะพระเจ้าสอนเราว่าสมาทิงพิกเวบาเวทะ สมาฮิโตยถาภาูตังประชานาติเคยได้ยินไหมพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงก็หมายความว่าเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดทุกขสัตว์ตามความเป็นจริงภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดสมุทัยสัจจะตามความเป็นจริงภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดนิโรธาสัจจะตามความเป็นจริง ภิกษุที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดมรรคสัตว์ตามความเป็นจริงงนั้นสมาธิจึงเป็นประเด็นหลักที่จะต้องคุยกันก่อนดีไหมทีนี้ในบรรดาในกรรมฐานที่จะฝึกสมาธิทั้งหลายเหล่านี้ท่านในหลักของสมถะท่านวางไว้20วิธีเอ่สิบวิธีใช่ไหมฮเราก็เคยอ่านกันมาศึกษากันมาทีนี้ส่วน หลักการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงยกย่องมากมากเป็นอันดับต้นๆเลยเนี่ยคืออะไรรู้ไหไ อ, อ <c oughs> พระเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำให้บาปอากุศลธรรมมันชั่วร้ายสงบไปโดยพันอย่างรวดเร็วเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูการ ยังฝุนและอองที่พุ้งขึ้นให้สงบราบคาบอย่างรวดเร็วฉันนั้นเอออันนี้พูดถึงในเรื่องของอาณาปณะสติสมาธิไอตัวอาณาปณะสติสมาธิเนี่ยถ้ามองงี้ปุ๊บเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเออนี่มาพูดถึงในเรื่องของสมาธิก่อนทําไมพระพุทธเจ้ายกย่องอาณาปณะสติสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนตัศรู้ ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตถาคตก็อยู่ในอาณาปานาสติสมาธินี่แหละเป็นส่วนมากแม้่อตัสรู้แล้วนะพระตะถาคตก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานาสติสมาธินี่แหละโดยมากฉะนั้นอาณาปานาสติสมาธิเนี่ยเป็นพรห ม, มวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหมของผู้ประเสริฐด้วยเป็นอริยวิหาร เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะด้วยเป็นตถาคตวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระตถาคตด้วยบุคคลใดปรารถนาปรารถนาที่จะทําปฐมฌานทุติยฌานตติฌานหรือจตุติฌานให้เกิดขึ้นอาณาปานสตินี่แหละเนีจเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วเนี่ยก็จะสามารถยังปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุติฌานให้เกิดขึ้น หรือต้องการอยากจะเจออรูปประชานไปจนถึงเนวาเป็นต้นตก็อาณาปานาสติเนี่ยเป็นฐานได้ดีที่สุดหรือถ้าต้องการที่จะเดินวิปัสสนาญาณก็ให้เอาอาณาปานสติสมาธิเ น, น, าานี่ยเป็นฐานแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณแล้วก็แทงตลอดอริยามรรคอริยผลได้ดีที่ น, นี่พุทธเจ้ายืนยันเองนะทีนี้เอาแล้วพอพูดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอามาก็เลยนําเสนอคําสอนของพระพุทธเจ้าอัญเชิญพุทธพจน์ที่พระทเจ้าตรัสยืนยันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย แล้วอาณาปานสติเนี่ยถ้านในคำพิวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าเหมาะสมแก่ บ, บุคคลสองจริตหนึ่งวิตกจริญเรายอมสังเกตดูเรายอมเป็นคนวิตตกกังวลไหมเนี่ยเป็นไม่เป็นอ่าเนี่ยเหมาะถ้าจเจริญอาณาปานสติสมาธิแล้วจะไปตัดวิตกได้สองเหมาะสมแก่คนโมหะจริตคนที่ไม่รู้อ่ะเหตุผลเพราะว่า อานาปนสติสมาธิเนี่ยเมื่อเจริญฝึกฝนไปแล้วเนี่ยจะพัฒนาสติและสัมปชัญญะจากสติสัมปชัญญะไม่ค่อยมีก็จะทําให้สติสัมปชัญญะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วสองตัวนี้ไปตัดโมหะคือความไม่รู้ไปตัดวิตกคือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นให้หายไปได้โดยสรุปานาปนสติสมาธิเนี่ยเหมาะสมแก่คนทุกจริต ก็ขนาดโมหะจริตยังเหมาะสมแล้วใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าบรรลุกรรมฐานที่เป็นฐานแห่งการพรุทธเจ้าแทงตลอดหรือบรรลุเนี่ยอริยมรรคอริยผลเป็นพระพุทธเจ้าคือกรรมฐานใดเป็นประธานอาณาปานาสตินั้นในวิสุทธิมรรคจึงแสดงว่าอาณาปานาสติสมาธิเนี่ยเป็นประธา น, นากรรมฐานนาะเป็นประธานของกรรมฐานทั้งหลาย นั้นเมื่อคุณเดินอานาปนาสติสมาธิได้ประสบการณ์สําเดจแล้วคุณจะโยกไปหากรรมฐานอื่นไปนเรื่องง่ายหรือยากเพราะเป็นประธานแล้วนะจึงจึงสามารถหมุนไปหากรรมฐานอื่นได้ไม่ไม่ไมยากแต่ถ้าเดินกรรมฐานอื่นแล้วมาเดินอานาปณะนี่ยากเข้าใจอย่างตัวนี้ <c oughs> อ๋อตันี้ก็มาพูดถึงว่าทำไมต้องให้จิตเป็นสมาธิก่อนถึงจะเดินวิปัสสนาทีหลัง นายมายกเหตุผลสอ ง, สองเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนเวลาพระเจ้าแสดงให้กับคารวาสเนี่ยนะพระเจ้าจะแสดงอนุบุพีกถาแล้วจบลงด้วยอริยสัจสีใช่ไหมในอนุบุพีกถาจะแสดงเรื่องทานนากถาพูดถึงในเรื่องของทานใช่ไหมคือการให้การสะอาดการแบ่งปันโอ้โหในเรื่องทานพูดเยอะมากแล้วก็พัฒนาไปถึงศีลนกถาพูดเรื่องศีล ทั้งปาติโมกสังวรศีนินเดียสังวรสีนอาชีวะปริสรรุทธิสีนปัจจะยานิจตัดสีโนรายละเอียดเยอะแล้วก็ไปสักขกถาอานิสงส์ของทานกุศลและสีกุศลว่าจะได้รับผลยังไงเนะี่ได้รับผลเป็นทั้งปัจจุบันเป็นยังไงการต่อไปเป็นยังไงและประการต่อมาคือกามาทีนวะคถาพูดถึงโทษโทษของการหมกมุ่นในกาม โทษถึงโทษของกิเล ส, สกามโทษของวัตถุกรรมเมื่อมีกิเลสคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นแล้วและกิเลสเหล่านี้ก็ทําให้เราไปหมกมุ่นในวัตถุกรรมคือสีเสียงกลิ่นรสโภชภะยังไงไปหมกมุ่นในทรัพย์ในบุตรในภรรยายังไงไปยึดติดยังไงนี่เป็นโทษยังไงเมื่อไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้แล้วจิตหมกมุ่นเป็นโทษงไงแล้วพระเจ้ากเทศเรื่องเนคคัมมานิสังสกถานี่พัฒนาแล้วนะ พอพูดถึงเนคคำมานี่สังสารถานเนคคำมานีน่เนคคำมะคืออะไรคือการออกจากาการนี่เนี่ยเห็นไหมไอการออกจากการองค์ธรรมได้แก่อะไรสภาวะได้แก่อะไรปฐมฌานเป็นการออกจากกามนิพพานก็เป็นเนคคำมะวิปัสสนาญาณก็เป็นเนคคำมะเห็นไหมแล้วการออกบวชก็เป็นเนคคำมะกุศลที่จรการเจริญกุศลที่น้อมออกจากการทั้งหมดก็เรียกว่าเนคคำมะ สรุปแล้วไอตัวเนคขม้านี่ก็คือภาวะที่จิตปลอดจากกามภาวะที่จิตนั้นตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นไม่วันไหวจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตไม่มีมนทินนะสภาพจิตที่ไม่วันไหวจิตที่ไม่วอกแวดว่าว่าจิตที่ใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดจิตที่เป็นกรรมนิยะควรแก่การเอาไปใช้งานหรือควรแก่การที่ไปเดินวิปัสสนาญาณ เห็นไหมแม้กระวาดเองก็จะต้องพุทธเจ้าก็ต้องแสดงนี่ยคำะเนี่คำะนิสังสักถาเข้าใจตรงนี้นะก็แปลว่าจิตจะต้องเป็นสมาธิหรือแม้ในการหลักการในการสอนโดยทั่วๆไปกับพระภิกษุทั้งหลายพพุทธเจ้าจะพัฒนาตั้งแต่ตั้งแต่มีศรัทธาแล้วมาตั้งมั่นในศีล จากตั้งมั่นในปฏิโมกสังวรศีลพัฒนาสู่อินทรีย์สังวรศีลจากพัฒนาอินทรีย์สังวรศีลเข้ามาสู่ถึงการสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้จากสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้เป็นต้นการพัฒนาสู่สติสมพชัญญาในฐานะเจ็จากสติสมัชัญญาในฐานะเจ็เป็นต้นพัฒนาไปสู่การที่เป็นอุปจารสมาธิคือจิตที่เป็นสมาธิสามารถขจัดนิวรธรรมออกจากจิต เป็นต้นได้แล้วเขาเอาถูปสมชาญเป็นต้นแล้วก็เดินต่อโดยกําลังของวิปัสนาญาณาอกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นพระพระเจ้าจะสอนมาโทนเดียวกันหมดก็คือมาจากทานศีลหรือมาจากถ้าคารวะก็ทานศีลภาวนาใช่ไหมภาวนาก็แยกเป็นสง่งสองส่วนทั้งสมถาริปัสนาทีนี้ถ้าเป็นพระ ท, ทั้งหลายก็แยกมันจะศีลสมาธิสมาธิคือสมถะ อ, อันเดียวกันนะศีลคือถ้าองค์มรติสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสสัมมาชีวะ เป็นอาทีตย์สีราิขาใช่ไหมสัมมาวายามะคือเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบอันนี้คือสมถานี่คือสมาธิสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปรานี่คือปัญญาหรือวิปัสนาศีนสมัท่าวิปัสนาต้องไปด้วยกันไหมแยกกันได้ไหมถ้าแยกก็คือฉีกงมักเลยนี่คุณยุ่งและงานนี้คุณยุ่งแลห้ามฉีกอันนี้มันเป็นหลักการในการปฏิบัติเพรนั้นตรงนี้ถึงบอกว่า ใครจะพูดอย่างไรก็ฟังได้เห็นได้นะแล้วก็ว่ากันไปแต่พระุทธเจ้า ว, ว่าอย่างไงอันนี้ต้องเป็นเมนหลักอันนี้ต้องเป็นข้อมูลกลางในการเปรียบเทียบในการที่จะมามาหลักการในการวัดมอออกใช่ไหมนี่ถ้าอย่างนี้ถ้าศึกษาในลักษณะอย่างนี้มันจะชัดและเราก็จะได้เดินได้ถูกต้องเอาทีนี้พูดถึงเรื่องสมาธิก่อนก่อนที่จะฝึกกันประเด็นคือ ทำไมต้องทาจิตให้เป็นสมาธิเ อ, อ่อสมาธิพิกเวบาเวถาสมัยโตยะถาภูตังประชานาติเนี่ยตรงเนี้ยหลักการคื อ, อยังไงในด้านของอย่างเราเนี่ยมันจะมีกิเลสสามระดับใช่ไหมระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดระดับหยาบเนี่ยก็เรียกวิติกามากิเลสอันนี้ออกมาทางกายวาจาเลยด่าบ้างน ฆ่าบางรักบางประพฤติผิดในกรรมบ้างใช่ไหมพูดเท so ็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจือใช่ไหมอันนี้แปลว่ากุศลศีลดีหรือไม่ดีไม่ดีนี่ออกมาทางกายกับวาจาเหมือนเรากโกรธเขาถ้าโกรธแล้วหลุดออกมาทางวาจานี่แปลว่าต้องใช้ระดับศีลแล้วเป็นผู้งดเว้นเหมือนโพระองค์ดาวมาเลยเงอันนี้แปลว่าอะไรไม่ใช่ใช้ระดับสมาธิไปจัดการนี่ระดับศีลสมาวาจาไม่มี ใช่ไหมที่ไปฆ่าเขาไปประทุดสไลด์เขานี่สัมมากัมมันต์ไม่มีแล้วกรณีที่ไปทำอาชีพที่ผิดพลาดทั้งหลายเนี่สัมมาชีวะไม่มีใช่ไหมสัมมาวาจาก็กําจัดทุจริตสใช่ไหมไม่ใช้วาจาไปประทุดสไลด์ใครแปลว่าตัดรอนได้แล้วสัมมากัมมันตาก็ไม่ใช้กายไปประทุดสไาย์หรือเบียดเบียนใครใช่ไหมตัดรอนได้แล้วสัมมาชีวะก็แปลว่าไม่ใช้กายและวาจาเนี่ยไปเลี้ยงชีพในทางที่ผิด พฤติกรรมในการเรียนสมมาวาจาสมากรรมศาสตรสมากทิวะนี้เป็นศีลใช่ไหมฉะนั้นคนที่กุศลศีลไม่ดีจะเจริญสมาธิได้หรือไม่ได้นี่เริ่มแล้วนะเริ่มเข้าใจแล้วฉะนั้นตรงเนี้ตรงนี้ต้องฝึกไหมในชีวิตประจำวันต้องฝึกเลยห้ามปฏิเสธว่าโอ้ยัยงทุจริตทางกายทางวาจาอาชีพยังทุจริตอยู่เลยถามว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะไปเจริญสมาสมาธิได้ไหม ไม่ใช่ฐานะเป็นอะาฐานะขัดหลกักองค์มรดด้วยขัดหลกักองค์มรดยด้วยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาไปโต้เถียงตอบโต้ไปประทุษร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ผิดหลักสัมมาวจากในหลักการในทางพุทธศาสนาจะบอกว อนูปวาโตอนูปคาโตปาติโมเขจะสังว่าโลนี่หลักการประกาศคําสอนเนี่ยหนึ่งไม่ว่าร้ายเขาแล้วก็ไม่ชวนให้คนอื่นไปว่าร้ายเขาสองไม่ไม่ไปทําร้ายเขาแล้วก็ไปเน้ไม่แนะนําให้คนอื่นไปทําร้ายเขาแล้วก็สมก็คือสํารวมระวังในปาติโมใช่ไหมเป็หลักการของพวกผู้ถวายสัทต้องเป็นอย่างนี้หลักการที่พระเจ้าบอกถ้าผิดหลักการนี้ก็แปลว่าคนนั้นไม่ทําหลักการที่พระเจ้ทาทรงบอกไว้ หมอออกอย่างตีนี้ด้านกุศลราศีนี่ชัดแล้วนะประการต่อมาคือด้านสมาธิอันนี้สำคัญมา ก, กด้านสมาธิสมาธิจะไปกำจัด ก, กิเลสอย่างกลางการมฉันทะความติดใจไฝ่กะสันใช่ไหมเอามีไหมพวกเรามีไหมติดพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภาณ แล้วข้อ <AR> จํากัดความความเบาเยืออะไรความติดใจใฝกระสันจะมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนี่ก็เรียกว่ากามาฉันทะยังมีการอยากได้นู้นอยากได้นี้อยากทำํำนู้นอยากทํานี้อะไรนะต่างนะความติดใจฝ่กระสันเนี่ยประสาทของคําว่ากามาฉันทะก็แปลว่าแสแสรเรื่อยอะแสในการที่จะไปอยากได้สีเสียงกินรสผลพทพะหน้าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ไข่พายใจให้กําหนักมีอยู่ สองพยาบาทความกโกรธความหงุดหงิดยังมีอยู่ไหมน้อยมากไ ม, ไม่พอใจอากาศร้อนก็หงุดหงิดอากาศเย็นก็หงุดหงิดยังมีอยู่ไหมแบบเนี้ยหิวก็หงุดหงิดไม่หิวก็หงิดหนาวก็หงุดหงิดไม่หนาวก็หงุดหงิดใช่นหนไหมได้รับเสียงที่พอใจไม่พอใจหงุดหงิดอยู่เรื่อย<ม>เร hmm. <Pix William. S 1> ื่องั้นเถอะมีไม่มีใช่ไหมนะ บางทีบา ง, บาง ท, ทีมันน้อยด้วยความไม่รู้ก็ได้นะรู้อยู่แต่ว่ามันมันไม่ค่อยจะเหลืออนะ้าวีน้อันนี้นะายาประการที่สามถีนามิทะสาพาว่างั้นเซ็งซึมเบื่อท้อถอยท้อแท้นะดหู หมดกำลังใจไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากกระตือรือร้นอะไรแล้วยังมีอยู่ไหมเออ <c oughs> เนี่ยบางทีก็เบื่ อ, อนะรู้สึกว่าเบื่อเนี่ยนเนียประการต่อมาคือว่าอุท ธ, ธาจากกุ ก, จกุจจะฟุ้งซ่านลำคาญใจฟุ้งก็คือรับอารมณ์ไม่มั่นไปเรื่อย ลำคาญใจก็คือทุจริตทำมาสิ่งไม่ดีทำมาไอความดีก็ไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมันฟุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ลาคาญใจมีไม่มีแล้วประการที่ห้าก็คือวิจิิจฉามันไปอย่างเงี้ยเอ๊จะปฏิบัติเต็มที่หรือไม่ปฏิบัติจะเอายังไงกับชีวิตเออมันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตเนี่ยจะเอาไม่เอาไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังมีไม่มี ลลมันจะเดินจะเดินตามศีลสมาธิปัญญาไม่ไมหมนไม่มั่นใจจะไปเชื่อพระเจ้ามันจะอเออเนี่ยมีไหมมีไม่มีคือมันจะฝึกตนเองให้เต็มที่ก็ไม่ทำายังเออ้ะเหยอยู่นี่แหละว่างั้นเถอะเหมือนจะอยู่สักหมื่นปีอย่างนั้นนะว่างั้นเถอะ <laughs> <laughs> เอาสรุปแล้วเนี่ยเขาเรียกนิวน พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่านะีโดยสรุปในคําสอนในอังคุตตะระนิกายบัญญัติกนิบาตบอกว่าภิกษุผู้ยังมีไอ้สนิมไอ้ตัวเนี้ยท่านพูดเปรียบเทียบบอกว่าทองก็มีสนิมอยู่ห้าอย่างนะทองเนี่ยก็มีสิ่งเป็นสนิมสิ่งแปลกปลอมเกี่ยวไปปนอยู่กับทองมีอยู่ห้าอย่างคือมีเหล็กมีโลหะมีดีบุก มีตะกลัวมีเงินไมันผสมอยู่ในทองถ้าทองเนี่ยมีสิ่งผสม5อย่างผสมอยู่ทองนั้นเป็นทองที่ไม่มีค่าเอาไปทําต่างหูก็ไม่ได้ไปทำสร้อยก็ไม่ได้ทําแหวนทํานาฬิกาทําข้อมือไม่ได้หรอกไม่สุกไม่ปลังไม่เหมาะไม่ควรแกการเอาไปใช้งานไม่มีรองลงราคาอะไรจริงไม่จริงนั้นไม่สามารถจะไปทําแหวนทำสร้อยทํานาฬิกาทําสวรรณมาลาทําต่างหูทําไม่ได้ เพราะมันมีอะไรผสมอยู่มีเหล็กมีมีตะกัวมีทองแดงเน่ยไหมมีดีบุกแล้วมีเงินใช่ไหมแล้วมันผสมอยู่กับทองอ่ะมาเนี่ยไปดูมาแล้วมันเป็นจริงพริงดูดูโพธพดูโพธพเออศึกษาพโพธพคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้อามาก็ไปดูที่เขาทาทองคํากันอ๋เป็นจริงๆด้วยพราะเขาสกัดออกมาเบ็ดเสร็จมันจะมี5สิ่งนี้แหละผสมทองคําอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถสกัดไอเอาทองคำล้วนๆออกไม่ได้ก็ส่งไปที่สิงคโปร์ ที่สิงคโปร์เขาจะมีวิธีกรรมอะไรเขาเขาไม่รู้เนยะเขาสามารถสกัดเหล็กเอวยีบุกตะกวัวทองแดงและเงินเนี่ยออกได้ให้เหลือแต่ทองล้วนๆส่งกับทำเป็นทองบริสุทธิท์ได้นี่เหมือนกัน ท, ทีทไไท่นี้ประเด็นก็คื อ, อ น, อ น, นี่นี่ก็เหมือนกันพระเจ้าโอโุยกตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าจิตของเรามีการมาฉันท้าความติดใจฝ่กยะสันกุ้มรุมอยู่ มีพยาบาทความเครียดความโกรธที่กุ้มลมอยู่มีความหดหู่ท้อถอยกุ้มลมอยู่มีความลังเลมีความมีอุท่าจ่กุกุจ่าฟุงา้งซ่านลำคาญใจกุ้มลมอยู่มีวิลังเลสงสัยกุ้มลมอยู่จิตนั้นไม่สะอาดไม่เอี่ยมอ่องไม่ผ่องแผ้วฉะนั้นต้องสกัดห้าอย่างออกเมื่อสกัดห้าอย่างออกแล้วจิตนั้นจะจิตจะตั้งมั่นจิตจะมีพลังจิตจะเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตจะใสสะอาดจิตจะควร จิตนั้นถึงจะควรต่อการเอาไปเดินวิปาาัสสนาญาณวิธีการสกัดทำยังไงพระเจ้าก็สอนเรื่องอาณาปานสติเป็นต้นเป็นต้นนะเนี่ยวิธีการว่าทำไมสมาธิจึงมีความหมายถ้าหากว่าในขณะที่ฝึกจิตเป็นสมาธิในกำลังที่กาลังฝึกไปฝึกไปนั้นคือกรรมนวิธีในการสกัดการมาฉันทะออกพยาบาทออกถีนมิถะออกอุเทจากุกักจาวิจิกิชาให้ออก เมื่อสกัดออกได้ก็คือจิตนั้นเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นอัปนาสมาธิเมื่อตั้งมั่นแล้วจิตนั้นจะมีพลังจิตจะจิตจะมีพลังจิตจะไม่หวั่นไหวจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตไม่มีมวลทินนะจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นจิตที่ใสสะอาดจะมองเห็นอะไรได้ชัดจิตประเภทนี้จึงควรต่อการเอาไปเดินวิปัสสนาญาณถึงจะเป็นกรรมนิยะเห็นเห็นความสาคัญของสมาธิหรือยัง ฉะ น, นการจะไปเดินวิปัสสนาญาณก่อนแปลว่าต้องสกัดไอ้หตัวออกก่อนเป็นขึ้นกรองใช่สมาธิสการจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญความเพียรทั้งหลายเป็นตัวกรองจิตให้สะอาดเมื่อจิตสะอาดแล้วไปเดินวิปาาัสสนาญาณมันถึงจะไปถอนอนุสัยอีกทีนึงซึ่งมันละเอียดมากนะอนุสัยนี่ละเอียดมากเนี่ยคือความสําคัญว่าทําไมต้องเจริญสมาธิ แล้วเห็นนี่ยังแต่เนี้ยเอ้าแต่เนี้ยวิธีการต่อไปเธอก็เลยต้องมาพูดถึงในเรื่องของการเดินโอ้โหกว่าจะมาพูดเรื่องการเดินสมาธิเนี่ยต้องใช้เวลานะดูโอ้โหลมไเยอะจริงจริงมันก็เยอะนะครับเอาถ้าไม่พูดอย่างนี้อยู่ๆจะมาบอกตุ้มๆๆเลยได้ไหมมันไม่เป็นไปกระเหตุและผลพระเจ้าห้ามต้องบอกให้เห็นเหตุเห็นผลนี้บอกทั้งอริยศาสตร์บอกทั้งหลักการอะไรทั้งหลายเหล่านี้ อันนี้กี่โมงแล้วนะเบรกพักกันสักหน่อยดีไหมอ่าเดี๋ยวก็กลับมาก็จเจริญอ่ะอ่ะต่อไปเมื่อกี้พูดอครัง้งที่ค้างไว้พูดในเรื่องของสมาธิเดี๋ยวต่อไปก็วิธีการที่เราจะฝึกใครเคยเจริญอานาปันสติสมาธิไหมก็เคยกันทุกค น, นครับแต่ว่แต่ว่าถุนไหนตอนนั้ถึงเกปเปิดความสงบพื้นฐานแต่ว่าไม่ยัง อย่างมันแค่คุยกันนะไอ้แก่พออาอยุมากขึ้นก็บอกว่าทาได้แก่นินดหน่อยอย่างเราปวดสมัยหนุ่มๆก็หลายสิบปีมาแล้วก็เคยได้ลึกนะแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยเป็นต้นเลยนะ ท, น ท, ทีนี้ทีนี้หลักการในคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของอานาพานสติสมาธินี่ท่านก็เริ่มตั้งแต่คําว่า <c oughs> ปริมุ ข, ขังสติงุปัฏฐเปตวาอะไรไปตามนั่โซสโตนี่บอกว่า ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะว่าน ห, หนึ่งเมื่อเชื่อมั่นว่าอาณาปานสติสมาธิเนี่ยเป็นประธานกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เป็นประธานของกรรมฐานทั้งหลายนี่ต้องเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็มีให้มีความเชื่อมั่นในสมาธิภาวนาที่พิสูจน์เจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วเนี่ยจะยางบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายให้สงบไปโดยพันก็หมายความว่ า, วาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่บาปเกิดได้เร็วราคาโทสาโมหะ มาณทิฐิวิจิการเนี่ยิริการดัตตาปาเนี่ยพวกอคุโสลกรรมทั้งหลายมันเร่าร้อนในใจบ่อยมากเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอาณาปานสติเนี่ยเหมือนฝนหาใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลยัางฝุ่นฝุ่นละอองที่พุ่งขึ้นให้สงบอย่างรวดเร็วราบคาบอย่างรวดเร็วได้ชั้นใดอาณาปานสติก็ชั้นนั้นเมื่อบุคคลจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วเนี่ย จะสามารถสงบระงับบาปอกุศลและทอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วที่เกิดขึ้นบ่อยๆบๆเนี่ยสงบได้อย่างรวดเร็วฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยบอกอย่างนี้เลยว่าใครที่บาปเกิดเร็วบาปเกิดได้ง่ายอกุศลเกิดได้มากราคาโทรศัพทโมหะเกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดเกิดบ่อยๆบๆๆเนี่ยความหลงก็เกิดบ่อยความลังเลสงสัยก็เกิดบ่อยความฟุ้งซ่านก็เกิดบ่อยความวิตกกังวลทั Mile ้งหลายก็เกิดบ่อย ความกำลังความยินดีความเพลิดเพลินมันเกิดบ่อยๆเกิดเร่วๆเร่าๆเนี่ยทำยังไงเราจะละมันได้ท่านนำเสนอเลยจะสงบระ ง, งับทำให้มันสงบระ ง, งับได้พรุทธเจ้าก็บอกอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วจะสามารถทำให้บาปอกุศลแธรรมมันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยสงบไปโดยพลันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลก็คือฝนที่ตกในฤดูร้อนเนี่ย ท้ยฤดูฝนไอ้ฤดูร้อนเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยที่ฝุ่นมันฟุ้งมากๆเนี่ยทํายังไงฝุ่นมันถึงหยุดฟุ้งก็ต้องอาศัยฝนห่าใหญ่ตกลงมาโปรยลงมาเมื่อฝนห่าใหญ่ตกลงมาโปรยลงมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นให้สงบราบคาบไม่มีอย่างรวดเร็วฉันใดอาณาปนานสติก็เมื่อเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วก็จะทาให้บาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายที่พุกพ่านในใจน่ยสงบได้อย่างรวดเร็วฉันนะั้น ตรงนี้พอได้ยินพุทธพจน์หรือพุทธดำหลัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราเกิดความเชื่อมัน่นวิธีจะทํานะถ้าคุณขาดความเชื่อมั่นเมื่ อ, อไรจะไม่ประสบความสาเร็จในการเจริญเพราะของทุกอย่างเนี่ยจะทําอะไรนะั้นลําดับแรกต้องเชื่อมัน่นอันนี้เชื่อมั่นอะไรหนึ่งเชื่อมั่นพระดำหลัดพระดำหลัดของพุทธเจ้ามาจากอะไรมาจากพระสัพพัญญุตยานพระสัพพัญญุตยานคืออะไรคือปัญญาที่สามารถรู้ความจริงแทงตลอดความจริง ผู้เจ้ารู้ความจริงของอะไรรู้ความจริงกิเลสของสัตว์โลกว่าสัตว์โลกมีกิเลสประเภทนี้พกพานขึ้นมากฉะนั้นถ้าตราบถ้าปราถนาอยากจะให้กิเลสประเภทนี้สงบระงับแล้วก็เบาคลายลงเนี่ยอาณาปณะสติสมาธิผู้เจ้านําเสนอเลยคุณต้องเจริญสมาเจริญกรรมฐานหมวดนี้ถึงจะสามารถทําบาป อ, อกเสื่อและทำมันชั่วร้ายให้สงบไปอย่างรวดเร็วและโดยแผ่นเข้าใจตรงนี้นะอันนี้ต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อน นั้นคำความเข้าใจอย่างนี้แล้วถึงจะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณในพระธรรมคุณและในพระสังฆคุณอันเดียวกันก็คือเชื่อมั่นพระดํำรัสของพระเจ้าที่พระองค์มีพระสัพพัญญุตยานได้ตรัสบอกฉะนั้นก่อนที่จะเจริญกรรมฐานนี้ให้น้อมและเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะนึกถึงพระเจ้าแล้วก็นึกถึงพระดํารัสนี้พอนึกถึงพระดํารัสของพระเจ้านี้ปุ๊บเนี่ย ประดุดดังว่าเราเนี่ยรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเหมือนเอามือไปรับเนี่ยเอากรรมฐานนั่นน่ะมามาใส่ไว้ในใจหรือบางคนเนี่ยประดุดดังว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ศรีรษะของเราเลยเหมือนอย่างนั้นเลยถึงจะเกิดความละอายชั่วกลัวบาปถึงจะเกิดความเกรงกลัวประดุดดังพระสัมมารัมพุทธเจ้าทำเป็นพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำและวินยัยที่พระตถ า, าคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเอาละสิเธอเนี่ยอ อ, อาณาปนสติสมาธิที่ภิกษุเจริญแล้วกระทําแล้วกระดายนมากแล้วนี้เป็นพระธรรมไหมพระธรรมเหล่านี้นั้นเรากําลังเจริญอาณาปนสติสมาธิอยู่กําลังฝึกสมาธิโดยการดูลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเหล่านี้อยู่อันนี้ชื่อว่าเรากําลังมีพระธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ ใจเราเมื่อพระธรรมอยู่ที่ใจเราแปลว่าพระพุทธเจ้ากําลังประทับอยู่ในกระแสชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าระดับระดับสุตตะและ้วถ้าสามารถทําอานาบันสตินี่เกิดขึ้นได้สติก็คือธรรมะธรรมะก็คือพุทธเอาแล้วทีนี้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าในตนแล้วมองเห็นไหมแต่เห็นในฐานะเป็นพระธรรมวินัยเห็นเป็นพระธรรมวินัยเออพาเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกคนก็อยากจะ ทีนี้เอาวิธีการเมื่อเข้าใจอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วพระเจ้าบอกว่าปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเนียบอกว่าที่ที่บอกว่าขออภัยอุชุงกายังนะปณิธานาะปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปทวาเป็นต้นอุชุงกายังกับผู้ปฏิบัติที่จะเจริญอานาปนสติเป็นต้นเนี่ยนั่งกายตรง ดำรงสติให้มันคําว่านั่งกายตรงเนี่ยแปลว่าการปรับเ e อียาบทการปรับท่าต้องเข้าใจตรงนี้นะนั่งกายตรงเนี่ยท่านมาขยายว่าทํากระดูกสันหลังอ่าสิบแปดข้อตั้งแต่คอเนี่ยลงไปเนี่ยจนถึงก้นกระดกโคเนี่ยสิบแปดข้อนั่นน่าไปเห้นให้ตรงอย่าไปทํางองแบบนี้การนั่งอย่างนี้เขาเรียกวเป็นท่านั่งที่ไม่มั่นคงเป็นการนั่งแป๊บเดียวก็ปวด และเป็นการนั่งที่ทําให้สมาธิไม่ค่อยตั้งมัน่นฉะนั้นต้องทํากระดูกสันหลังนี่ให้ตรงตรงแบบไม่เกร็งนะไม่ใช่ไปเกร็งตัวเนะืเนี่ยนี่ก็เรียกว่าปรับปรับวิธีการนั่งนั่งให้เหมาะสมถ้าใครสามารถนั่งขาดสมาธิได้ก็นั่งถ้าอย่างเราๆก็นั่งเก้าอี้นี่แหละฝึกนั่งเก้าอี้ให้ตรงต้องระวังคออย่างงุ้มลงเกินไปหรือยอย่างหงายไปเกินไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนี่ก็เรียกปรับท่าไอ้พระเนี่ยท่านสอนวิธีการปรับท่า อย่าให้เกร็งนะแล้วก็ให้ผ่อนคลายที่สุดทั้งหมดนี่นะให้ผ่อนคลายก็คือใช้ให้นึกให้ใช้ความรู้สึกของตนเองเนะีตรวจสอบดูร่างกายทั้งหมดเลยนะวิธีการเลยนะตรวจสอบร่างกายของตนเองทั้งหมดว่าตั้งแต่ศรีรษะเจริญเท้าเนี่ยให้ดูว่าผ่อนคลายไหมส่วนไหนมันเกร็งส่วนไหนที่มันตึงส่วนไหนที่ว่ามันไม่ได้ระดับที่ดีก็ปรับให้มันดีนี่ น, นีนี่ระดับที่ดี เอาแล้วพอปรับร่างกายเบียดเสร็จแล้วเนี่ยด้านร่างกายไม่มีปัญหาแล้วจะปรับยังไงคลายยังไงบิดยังไงทั้งหลายเรื่างนี้ต้องทำก่อนนี่ก็เรียกอุชุงกายยังประการต่อมาก็คือว่าปรับด้านจิตใจเห็นไหมมีสองส่วนนียด้านกายกับด้านใจด้านจิตใจเนี่ยต้องบอกตัวเองบอกว่าที่เราวิตกกังวลเครียดคิดเรื่องงานคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องทรัพย์คิดเรื่องบุตรภรรยาทั้งหลายเหื่อนี้เป็นต้นเนี่ยนะ เราบอกตัวเองว่าเวลานี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปคิดในเรื่องนั้นแต่เป็นเวลาที่เราต้องการจะมาฝึกเวลาจิตโหดหูทั้งหลายนี่ก็ปุกแล้วจิตตนเองเองขึ้นมาจิตพุ่งสร้างทั้งหลายก็บอกตัวเองไม่ตัดเป็นเวลานี้ที่เราจะเฝ้าพระเจ้าเวลาที่เราจะมานาสิการกรรมฐานเป็นเวลาที่เราจะถือกรรมฐานไปขอกรรมฐานจากพระเจ้าเามาเจริญเอามาฝึกเข้าใจในใ น, นสองส่วนพอปรับอย่างนี้เบีดเสร็จแล้ววิธีการเบื้องต้นทาําไง ไม่ใช่ไปจดจอที่จมูกให้นั่งนั่งแบบเนี่ยเอาลองฝึกนั่งดูนะอนั่งแบบสบายๆ ย, ยอมเคยนั่งพักพักผ่อนกันไหมการเจริญกรรมาฐานเนะี่ยคือเป็นการพักเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในโลกโอยอมเคยไปนั่งที่น้ําตกเลยไปนั่งที่อ่าชายทะเลเคยไปนั่งอย่างนั้นไหมอ เ, เออนั่นแหละให้นึกถึงบรรยากาศลักษณะอย่างนั้น การเจริญกรรมาฐานไม่ใช่เจริญแบบเคร่งเครียดเป็นการนั่งพักผ่อนเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับความเครียดอยู่กับมไม่ตกกังวลอยู่กับเรื่องนุ้นเรื่องนี้เอาละเวลานี้เราจะพักแต่เป็นการพักสังเกตด้วยนะเราจะพักแบบชนิดที่ว่าเราจะพักแบบสบายๆทาจิตให้ปลอดโปร่งให้จิตโลง่งให้จิตเบิกบานผ่องใสเพราะถ้าจิตไม่ปลอดโปร่งจิตไม่โลง่งจิตไม่เบิกบานสมาธิจะไม่เกิด จาให้เกิดเลยฉะนั้นให้สังเกตจิตตัวเองด้วยนะจิตเบิกบานจิตโปรง่งจิตเบาแล้วก็สมมติตอนนี้เรานั่งอยู่จะหลับตาหรือไม่หลับตาก่อนเบื้องต้นเนี่นะเบื้องต้นให้หลับนั่งพักแบบสบายๆก่อนแล้วให้สังเกต ด, ดูนะว่าอย่าพึ่งเอาความรู้สึกไปจดจ่อที่จมูกแต่ให้ดูที่ใจก่อน ให้มีความรู้สึกก่อนนะว่าตอนนี้ขณะนี้หายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวนะว่าตอนนี้หายใจเข้าแม้หายใจออกก็ให้รู้สึกต <ro> ัวว่าขณะนี้หายใจออกให้รู้สึกตัวว่าหายใจเข้าให้รู้สึกตัวว่าหายใจออกแค่รู้สึกก่อนนะยังไม่ต้องไปจี้ไม่ต้องไปจดจ่อและในขณะเดียวกันก็ให้ให้ทาความรู้สึกในใจว่าจิตเบิกบานหายใจเข้านะ จิตโปร่งเบาหายใจออกหรือทําจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทําจิตให้โปร่งเบาหายใจออกให้ดูที่จิตใจก่อนนะยอมนะแล้วใครรู้สึกตัวไปด้ว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนอลองลองทําสักพักนะลองทำสัพกนะททพักสักสองสามนาทีแล้วจะถามต่อแล้วก็จะค่อยๆให้ฝึกไปะอะไะทุกคนไม่สงสัยอะไรแล้วเนะเาะอไม่สงสยัยลองดูนะเอาแค่ความรู้สึก ลองดูที่ว่าเราจะสามารถรู้สึกตัวได้ไหมบางคนไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกที่เขาบอกว่าสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวั น, วนๆแค่นั้นเองเดให้มีความรู้สึกนะว่าตอนนี้เข้าหรือออกก่อนบางคนไม่รู้เลยว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือตอนนี้หายใจออกแล้วในขณะเดียวกันก็ดูจิตนะนะจิตล่าเริงจิตเบิกบานไหมทาจิตให้ล่า เ, เริงเบิกบานหายใจเข้าหายใจออก ถ้าจิตง้อยๆเศ้าซึมฟุง้งซ่านแปลว่ามันผิดหลักนะผิดหลักแต่ว่าเราอ่าต่อไปลองฝึกดูทำจิตให้เบิกบานทำจิตให้ยิ้มอยู่เสมอเนี่ยจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตปร่งเบาหายใจออก ถ้าจิตเราง่อยๆซึมๆเมื่อไหร่สังเกต ด, ดูเดนจะหลับเนี่ยต้องระวังอย่าให้หลับให้จิตเบิกบานถ้าใครทําจิตให้เบิกบานได้ผ่องใสได้ล่าเริงได้สมาธิจะตั้งเร็วนีซึ่งสําคัญมากนั่นเป็นกระบวนการในการที่จะปลุกจิตแล้วก็จะสกัดของเสียออกจากจิตแต่ถ้าจิตหง่อยเหงาฟุ้งซึมเซ็งเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นแปลว่า แปลว่าจิตไม่ได้ถูกขัดเกลากิเลสไม่ได้ถูกขัดเกลอะไรเลยเกิดเป็นการเพิ่มมานั่งเพิ่มกิเลสดีๆเนี่ยเครียดกุ้มฟุง้งอะไรทั้งหลาอยอลไรเนี่ยแปลว่าไม่ได้สกัดของเสียออกจากจิตฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นตัวสกัดของเสียออกจากจิตเนี่ฉะนั้นถ้านั่งแล้วหลับก็ดีฟุ้งก็ดีเนี่ยกำหนัดขัดเคืองร่มหลงก็ดีนี่แปลว่าแปลว่าจิตเนี่ยไม่ได้ถูก ของเสียยังหุ้มจิตเต็มไปหมดเลยยังมีความเครียดยังมีความกลุ่มยังมีความวุ่นวายใจอยู่นั้นการจเจริญสมาธิก็เหมือนสกัดไอ้สนิมของใจห้าอย่างนี่แหละกามาชันทะพยาบาทถีนมิธะอุทะจักุกุจาวิจิกิจฉาไอ้ห้าตัวนี่แหละมันจะต้องสกัดการสกัดในที่นั้นก็คือสติเนี่ยรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สรู้สึกตัวหายใจออกรู้เข้ารู้ออก ในขณะเดียวกันก็คือมีความเพียรประคองสติไว้แล้วก็มีสติคอยระลึกอยู่ตลอดในการหายใจเข้าหายใจออกสมาธิก็เริ่มแนบชิดมากขึ้นปัญญาก็จะค่อยๆเด่นก็จะสกัดของเสียออกมันจะเป็นไปลักษณะนี้ต้องระวังนะเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดีเอาล่ะเดี๋ยวทวี่ส่วนกุศลกันหน่อยอ่า ลองนี่ทดสอบดูเล็กน้อยพอพอเป็นไปได้ไหมไไหอืมปวดสบายยังไงเออนั่งเกร็งเลยไม่เกร็งครับผมเอกเกิดสลัคขดอ๋อถ้างั้นก็ต้องไปไปนวดอันนี้เป็นปัญหาทางด้านร่างกายมีอะไรจะถามปัญหาอะไรไหมไม่ถา ม, มเอาอุทิศสนกุศลหน่อยเขาบอกว่าเวลาสนทนาธรรม หรือมีการศึกษาธรรมสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยท้าวสก่าเนี่ยเคยอราธนาพระพุทธเจ้าเพราะเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลมีกําลังมากท้าวสก่าเลยบอกว่าขอพระพุทธเจ้าบอกพิกุสุสงถ้าพุทธบริษัทมีการสนทนาธรรมสแสดงธรรมหรือมีการปฏิบัติธรรมให้อยู่ที่ส่วนกุศลในกลุ่มสัาว์ทั้งหลายด้วย พระเจ้าก็เลยบอกภิสูุ์ทั้งหลายถ้าเธอมีการสนทนาทมการแสดงรมการธรรมชากัดชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระธรรมคาสอนเนี่ยเป็นกุศลใหญ่เป็นบุญใหญ่สัพรพสัตว์ทั้งหลายมีเทวดาเป็นต้นต้องการอนุโมทนาส่วนบุญที่พวกเธอทั้งหลายทำก็เลยต้องมีการทําตามพะพุทธเจ้าแ น, นะนา สัตว์ทั้งหลายสไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไไมมมมม่่่ีีีทสุดประาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํานบัดนี้จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํานบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วและแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดจะเเป็นสัตว์หล่าดซึ่งเป็นที่รักให่และมีบุญคุณซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในภูมิทั้งสอยู่ในกำเนิดทั้ง4อยู่ในกำเนิดทั้งสมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันห้าขันมีขันขั มีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวในพบน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราได้ที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวด า, า, าทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพรเะหรเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้ง ป, ง ป, ป, งปวงจงเป็นผู้มมไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้ น, นงงจงสำเร็จเถิด ส, สาธุสาธุสาธุาธในวิธีฝึกตรงนี้ก็เอาไปฝึกกันบ่อยๆเจเลยนะนาปัญาสตินี่นียอันนี้ก็ตามหลักการที่พระเจ้าบอกเบื้องต้นเนี่ยให้รู้เข้ารู้ออกเขาเรีออกยกโสสโตวะอัสติสโตวะปัสสติ เธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอันนี้ก็คือรู้เข้ารู้ออกให้สังเกตถึว่าใหม่ๆจะรู้เข้ารู้ออกเมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วพัฒนาต่อนะเข้านะเข้าเริ่มมารู้ที่ลมเข้าลมออกชัดขึ้นจากการที่แค่รู้สึกก่อนนะเข้านะเข้ามันจะมาเด่นที่เข้าออกมันเริ่มแล้วเข้าเข้าออกเข้าออกแต่อย่าฝืนธรรมชาติเคยหายใจยังไงก็ให้หายใจอย่างนั้น เพียงเป็นฝึกสติเพียงพี่รู้ตามเท่านั้นเองแต่อย่าตามลม้าไปข้างในอย่าตามลมออกไปข้างนอกให้รู้ที่แค่เข้าออกณนะจุดเนี้ยโงกแอร์เรียเนี้ยแอร์เรียที่ปลายจมกูกหรือว่าริมพิปากแต่ไม่ต้องไปจี้นะถ้าจี้ลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีการมึนแล้วก็ตึงนะจะเป็นอะไรลักษณะนั้นอย่าลืมว่าไม่ใช่ไปดูเย็นร้อนเย็นร้อนเนี่ยมันเป็นาธาตุกรรมฐานกรรมฐานมันจะแปลรูป ไม่ไม่ใช่ไปรู้ตึงไหวแต่ให้รู้ลมลมนั่นคือสมูหะบัญญัติก็คือตัวลมกองลมที่วิ่งเข้าวิ่งออกเ่ยให้รู้แต่ว่ามันเข้าตรงไหนออกตรงไหนให้รู้ตรงนั้นรู้แค่นีน้อาจจะเห็นเข้าเห็นออกไม่ต้องสนใจให้รู้อยู่บริเวณตรงนี้แหละบริเวณที่ไปลายแกมูกหรือริมผิปากนี่แหละรู้ไปเรื่อยๆนะเข้านะเข้าเมื่อสติมีกําลังมากขึ้นเนะ่ยมันจะเป็นการพัฒนาไปสู่รู้ยาวรู้สั้น ทำไมถึงรู้ยาวรู้สั้นไอ้การจะรู้ยาวรู้สั้นเนี่ยไปฝืนเพื่อจะรู้ทีแรกไม่ได้เพราะสติยังไม่มีกําลังเมื่อสติมีกําลังก็จะพัฒนาประสบการรู้หายใจเข้า au, ออยาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอะไรเพราะมนุษย์จะหายใจไม่เท่ากันเหตุผลเพราะใหม่ๆเนี่ยจิตยังไม่ได้ปรับความสมดุลเมื่อไม่ได้ปรับความสมดุลเนี่ยกรณีอห่งการที่ลมเข้าล้มออกเนี่ยบางคนก็หายใจช้าหายใจเร็วหายใจสั้นหายใจยาวเข้ายาวออกสั้นอะไรเนี่ยมันยังไม่มีความบาลานซ์กันหรอกฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยจะเป็น จะเป็นเหตุผลเนี่ยการว่าพอฝึกจิตไปเรื่อย ๆ, ๆพอจิตพอจิตบาลานกันเนี่ยลมหายใจถึงจะบาลานจะสมดุลถ้าจิตยังไม่ค่อยสมดุลเมื่อไหร่มันก็จะเป็นปัจจัยต่อลมเพราะลมเนี่ยเป็นจิตต่ชลูปคําว่าจิตต่เชลูปแปลว่ารูปที่เกิด จ, จ, จ, จ, จ, จากจิตเนี่ยเพราะมีจิตอยู่เนี่ยลมหายใจจึงมีมันเกิดจากจิตนะคนโลภเนี่ยหายใจอีกอย่างคนโกรธหายใจอีกอย่างคนหลงหายใจอีกอย่างคนที่มีสติสมัมปชัญญะการหายใจก็เป็นอีกอย่าง มันจะไม่เหมือนกันหรอกเช่นยอมล้องโกรธด้วยที่ยอมจะหายใจแรงหรือเกิดความกำหนัดขึ้นมาเนี่ยยอมจะหายใจอีกอย่างหนึ่งเกิดสังสงสัยลังเลขึ้นมาการหายใจมันจะเป็นไปตามสภาพจิตแต่จิตมีสติการหายใจมันจะเริ่มปรับสมดุลมันจะเริ่มบาลานซ์กันนะยิ่งยิ่งศรัทธาศรัทธากับปัญญาสมดุลกันความเพียรกับสติเออความเพียรกับสมาธิมีความสมดุลกันสติกำกับชัดขึ้นเมื่อไหร่นะลมหายใจเข้าออกจะมีการบาลานซ์กันสมดุลเลยตรงนี้ หายใจเข้าออกเนี่ยเราไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปนั่นเมื่อเมื่อสติเนี่ยปรับจิตให้มีความสมดุลเมื่อไหลลมหายใจจะสมดุลรู้ยาวรู้สั้นถ้าพัฒนาต่อไปก็นัเข้าจะเริ่มรู้ตลอดสายคําว่าตลอดสายอยู่ตรงเนี้ยก็สามารถเห็นลมได้ต่อเนื่องจนหายใจเข้าก็เห็นตรงเนี้ยเห็นจนสุดลมเข้าสุดลมออกอยู่แค่ตรงนี้นะจะไม่ได้ตามเข้าไปนะเนี่ยเห็นอยู่ตรงเนี้ยนัเข้านเข้าก็จะเห็นชัดตลอดสายและที่สุดจริงๆก็จะสามารถที่จะ พัฒนาไปสู่การมีนิมิตยังไงก็ว่ากันอีกทีทั้งหมดเหล่านี้คือกระบวนการการฝึกเราควรควรจะมีคำบริการอะไรไมอา่ามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราดูลมแล้วมันหลงลืมตลอดอัตถกถาท่านแนะนำนับลมเช่นหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เนี่ยนะ อย่าเกินอย่าเกินสิบอย่าต่ํากว่าห้าอย่างเงี้ยบางคนกันแนะนำ้ำอะนับแค่แปดดีได้ตรงกะมักมีองแปดแต่ว่าบ้านเราเนี่ยครูบาอาจารย์บ้านเราก็เลยเอาพุทธโธมากํากับสิ้นเรื่องซะเลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแต่ที่จริงอาจากถาไม่ได้แนะนําแบบนั้นอารย์อาจารย์ท่านแนะนําเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองนี่นับช้าท่านับเร็วสมมุติว่าโอ้โหสติมันเริ่มทํางานเร็วขึ้นเนี่ย ให้นับเร็วนับเร็วก็หายใจเข้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าออกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือมันจะได้ถี่ขึ้นแต่ไม่ใช่ไปอยู่ที่ตัวเลขวัตถุประสงค์คือลมอานาปนาัญสติไม่ใช่ฝึกลมนะไม่ใช่ฝึกหายใจนะเขาเรียกฝึกสติถ้าฝึกหายใจก็กลุ่มโยคะคนละเรื่องกันสิ่งที่ควรฝึกส่วนสิ่งที่ควรจเจริญคือสติแต่ลมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เกิดสติ ขยายยังเป็นอุปกร ณ, เกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้สติพัฒนาก็คือว่ากรรมฐานก็อยู่กับตัวนี่แหละเดินลมก็มีอยู่นั่งลมก็มีอยู่นอนก็ลมก็มีอยู่ยืนลมก็มีอยู่ใช่ไหมก็เอาลมหายใจมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกให้สติเกิดซะเลยแทนที่จะเอาจิตไปสัดสายเรื่องอื่นก็ไปดูที่ลมเข้าลมออกมองนะเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเท่านั้นเองอาารับระหว่างนับช้าเข้าหรือออกหรือกับนับ ด้วยความเร็วจีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึอสามสี่ห้าแบบนี้ลักษณะอย่างเงี้ยที่ที่พระอาจารย์บอกว่าสติมแบบแบบนี้มันเกิดเร็วแปลว่ามันหลุดเร็วหรือว่าคืออย่างนี้เวลาฝึกใหม่ๆหม่เขาให้นับช้าเข้าหนึ่งออกหนึ่งเพราะว่าจริงๆมันยังมันยั ง, ยงไอสภาพการสติยังไม่แข็งแรงแต่พอทําไปทํามาเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเนี่ยไปจนถึงแปดเงี้ยแล้วก็มาหนึ่งออกเเถึงแปดเนี่ยพอนับอย่างนี้นะ่ะเข้าเวลามันเหลือเยอะสติมันก็จะจิตมันก็จะออกไปทํางานที่อื่น ก็เลยเอ๊ะทํำยังไงก็โผลจิตใหม่เลยนี่นับเร็วเฉลยจิตมันจะได้สติจะได้ไม่หลุดก็เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ที่หนึ่งสองสามที่ห้าเข้าหนึ่งสองสามที่ห้าออกหนึ่งสองสามที่หกเข้าหนึ่งสองสามห้าออกคือยิ่งนับถี่ไปเรื่อยๆเลยสติก็กํากับอยู่กํากับจิตไว้สติก็กํากับจิตไว้ให้โผลไว้กับลมไม่ให้ไปที่อื่นแต่พอไปนับช้าขึ้นมาแม้มีเวลาเหลือคิดเรื่องอื่นก่อนดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยสภาพธรรมชาติจิตอุบายอุบายอุบาย อุบายเท่านั้นเองใชเ่เมื่อเมื่อจนจิตมันสติเนี่ยกำกับจิตสามารถอยู่กับลมได้แล้วเรื่องนับก็ทิ้งไปเหมือนไม่เท้าอ่ะใหม่ใมันเดินมันต้องอาศัยไม่เทา้ายังไม่แข็งแรงแต่พอเดินแข็งแรงแล้วไม่เท้าก็มีประโยชน์โยนทิ้งได้แค่นี้เองเป็นอุปกรณ์เป็นอุบายเท่านั้นเองมองออกนะ <siendo S 1> พอต่อไปจิตแข็งแรงสติแข็งแรงแล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วไม่ต้องนับนับเป็นเพียงแค่ให้จูงไว้เมื่อถ้านั้นมันไปทู่ว เดาลืมเดวหลับอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวห ล, ล, ล, ลงอยู่เลยมันจะหุดเองนะฮะยังยอมเวลายมถือไม่เทา้าเดินตอนเดินยังไม่คล่องเนี่ยยอมรูไม้ไหมเวลาไหนควรทิ้งไม่เทา้ายอมจะรู้หรือไม่รู้รู้ครับเออเหมือนกันเวลาที่เราฝึกสติเนี่ยนะเข้านะเข้ามันจะรู้เองจุดเองไม่เราจะรู้แล้ว เ, เวลานี้มันจะเป็นภาระทันทีการนับเป็นภาระทันทีเพราะมันไม่ต้องนับแล้วเพราะมันเห็นชัดแล้วมันเออมันตามอยู่แล้ว ไม่ต้องนับแล้วแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ภานาก็ไร่เป็นสุบายใช่ใช่ว่าไงคือผมเคยใช้คำภาวนาเช่นพูดโพลได้พ อ, อ, อ, อนับไปนับมาจบไปมาเพราะนานๆเข้าไอ้ไอปากมันก็ท่องเปน็นนกทองไอ้จิตมันก็ไปไหนก็ไม่รู้แสดงให้เห็นชัดว่าแสดงให้เห็นชัดว่ายอมไม่ได้ฝึกสติ ยอมไปท่องเพื่อให้มันจําได้อัเ น, นี่ยไปท่องแค่นั้นเองไปคล่องปากแค่นั้นเองอย่างนี้วิธีการนี่ผิ ด, <ม>ดปฏิบัติผิดวิธีการจริงๆให้สังเกต ด, ดูว่าเหมือนกางคอ น, นี้อย่างเงี้ยเขาให้เอาไม้เท้าเนี่ยค้าเพื่อให้เดินคล่องอ่าพอไปไปมา ม, ามาดันไม่เดินแะ น, นี่จับไม้เท้าก็แทกเล่นเงี้ยนะเพรมันอันเดียวกันเนี่ยตอนตอนแรกก็เอาใจใส่เนับ เข้าใจใส่ครับว่าไปไปมาไม่รู้ตอนไหนมันไปมันก็ไม่รู้และพูดโทรศัพท์พูดโทดโทรล้วคิดด้วยพูดโทัพด้วยคิดด้วยจริงมันไปแล้วปากมันก็ยังท่องอยู่เข้าใจแต่เห็นไหมตรงเนี้ยอุบายตรงนี้อาจารย์คาถาท่านถึงแนะนําไงว่าเออมันไปเร็วดีนะทํายังไงก็ไม่อยู่นับช้าเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองนะครับมันคิดไปเรื่องอื่นนักเข้าเอาเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งบางคนนับอย่างงี้ก็ได้นะ เข้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสอสองสองงี้ก็ได้คือให้มันอยู่ให้ได้วิทยาอุบายเข้าใจใช่เออให้อยู่ที่ลมแต่ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเลขอันนั้นมันไปนับไปพุทโธพุทโธไปอยู่ที่พุทโธสินี้ไม่อยู่อุปกรณ์คือลมเป็นตัวฝึกสติเอาสติเนี่ยกํากับจิตไว้อผล่จิตไว้ให้มาอยู่กับลมลมเหมือนหลักลมเนี่ยเหมือนหลักสติเหมือนเชือก จิตเหมือนวัวดือ้อไอ้วัวตัวนี้มันดือ้อมันวิ่งไปทั่วก็เอาเอาเอ า, เอาเชือกคือสติมัดนะฮะมัดวัวไว้ก็ไปผูกกับหลักคือเสาเอาที่เห็มันวิ่งไปทีตัวนี้มันวิ่งไปเหอะวัวกระโดดไปกระโดดไปเชือกเราดีใช่ไหมเชือกมันดีนะเข้านะเข้าวัวก็ไปไหนไม่รอดพันหลักอยู่กันหมอกอยู่กับหลักเนี่ยชั้นใดนี่เหมือนกันถ้าเรามีสติดีหน่อยมัดผูกจิตไว้ผูกไว้กับลมคือหลักเนี่ยเอาแต่ลมคือเข้าออกกับผูกไว้อย่างเงี้ย วิ่งไปไหนก็ดึงกลับมาวิ่งไปไหนก็ดึงกลับมาึงไไนกังกเข้านะ kind of <des per ides> จิตมันเชื่องไปไม่ไหวแล้วไดิ Hayır ้นไม่ไหวมันดึงไว้อยู่เรื่อยเลยนัเข้านัเข้าก็เชื่องอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนนี้จิตมันจิตมันดิ่งนะกเข้านักเข้าสมาธิจะตั้งมั่นนะกเข้านักเข้าจะแนบชิดติดกับลมมันแนบชิดติดกับลมสมาธิตั้งมั่นเมื่อไหร่ไอ้กิเลสก็ถูกสกัดออกสกัดออกนัเข้าจิตจะใสขึ้นจิตจะมีพลังมากขึ้นจิตจะตั้งมั่นมากขึ้น จิตก็สะอาดเยี่ยม อ, อ่องผ่องแผ้วนะเข้าถ้าเข้าจิตก็จะตั้งมั่นแล้วก็จะควรก่อการงานได้ถึงนั้นเมื่อจิตยังไม่เป็นสมาธิแล้วไปเดินมิปัสสนาไม่ได้เรื่องจิตเบร่แล้วก็ขอเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งครับคือบางคนก็บอกว่าอง่ายนั่งทําสมาธิอเบางคนก็บอกว่าเออผมสวดมนต์ดีผมนัองให้สวดมนต์น saben, inform inform sure. e oh ี่เป็นสมาธิเออเป็น Fly, อ, อ, อ๋อก็อยู่ที่ว่าเราสวดเนี่ยจริงๆหลักการสวดมนต์เนี่ยการสาธยายเนี่ยก็เป็นอุบายในการที่จะทำให้จิตตั้งมั่นได้ทั้งนั้นแต่ให้สังเกตดูนะว่าเป็นอุบายก่อนอย่างเช่นคนบางคนฟุ้งจัดเลยทำสมาธิไม่ได้เลยทำไงเอาเราสาธยายนี่แหละท่องเลย เอวเมืจุตังเยกังสมยังปากว่าบารานิเซียงวารตีสิปเทเนมีตรลายเยตราตะลโคปากวาปัญญวักเยปิขุอามนเตสิโตไเมปิเกวว่าไปเลยนะอันตาปอบปิเจเนี่ยพอสวดอย่างนี้ปุบเนี่ยมันสมาธิก็จะเริ่มตั้งๆๆๆมพอสักพักหนึ่งพอเราสาธยายจนคล่องแคล่วคล่องแคล่วแล้วเบ็ดเสร็จนะข้าเนี่ยแปลว่าคนที่ยังพุ้งซ่านเกินไปดูลมไม่ได้เลยนะบางคนก็มีอุบายในการเนี่ยสาธยายสาธลายจนจิตแนบแน่นเบ็ดเสร็จระยะหนึ่งแล้วนะข้าก็ไปดูเพราะลมละเอียดกว่าสาธยาย ลมเนี่ยละเอียดกว่าสาธตนสาตยายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองบางคนก่อนจะทําสมาธิยิ่งต้องสวดมนต์ก่อนไงก็คือสาตยายให้จิตเนี่ยมันจะได้ไม่ซัดสายท่องร้องเนี่ยมันได้สองส่วนนะสวดมนต์เนี่ยหนึ่งถ้ารู้ความหมายมันได้ปัญญาด้วยถ้าไม่รู้ความหมายก็ได้สมาธิอย่างเดียวเนี่ยก็แค่นี้แลหละหลักการคืออย่างนี้แต่วัตถุประสงค์ในพุทธศาสนาเนี่ยสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายนะไม่ใช่จุดหมาย แต่ว่าเป็นอุบายในการที่จะเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญา เ, เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปเนี่ยปัญญาจะได้เป็นฐานปฏิบัติการในการที่จะเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ตอนนี้ปัญญาไม่สามารถไปเห็นตามความเป็นจริงได้เพราะหูกิเลสมันลุ่มเล้าตลอดตอนนี้เรายังไม่ได้สกัดกิเลสออกจากจิตเลยเนี่ยจิตประเภทนี้จึงไม่เหมาะแก่การไปเดินวิปัสสนาท่านใช้คาว่าอัฐานะไม่ใช่ฐานะที่จะแทงตลอดอริยสัต์ได้ คนที่จะแทงตลอดอะระยะสัตว์ได้ต้องสงกัดไอ้นิวรอนออกจากใจก่อนเมื่อนิวรอนออกจากใจได้แล้วเนี่ยจะเหลือกิเลสละเอียดประเภทเนี้ยจะเดินที่ปั ส, สนาเพื่อไปถอนรากถอนคนกิเลสนี่เป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจก่อนเขาจะชัดเจนนะมีใครจะถามอะไรไหมเดินหนะ งงเอ๋เดินเนี่ยสามารถจะดูลมได้จ ะ, จะฝึกดูลมเดินไปก็ได้เช่นรู้หยับหยับนะรู้เข้ารู้ออกในขณะที่เดินการเดินคือการผ่อนคลายาเพราะมันนั่งเนี่ยจะต้องมีการเดินแค่นั้นเองฝึกเดินเพื่อจะให้ให้ให้สติเนี่ยกํากับกระตัวแค่นั้นเองบางคนก็ไปจ้องให้ก้าวซ้ายก้าวเดินจริงๆริงโดยหลักการเนี่ย ก็คือว่าเราสามารถจะเรามีกรรมฐานใดก็บริหารกรรมฐานนั้นได้เราอาจจะมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าคนยังฝึกอนาปณะยังมันได้ไม่ดีเนี่ยเขาให้ดนดูลมไปเลยใ น, นการเดินก็ไม่เดินเร็วเกินไปแล้วก็สังเกตลมไปด้วย เราเดินสังเกตลมไม่ใช่เดินสังเกตท้าคนจะทั่วไปจะได้รับคำสอนเรเดินก็สังเกตเท้าก็เป็นระยะบอกนะเท้ายากเท้าลูกวาลก็เป็นในตรงนั้นมันมันแล้วแต่ไงแต่ว่าโดยหลักการจริงๆแล้วถ้าเราต้องการจะฝึกการเจริญอาณาปณสติของเราเนี่ยให้ชํานานเนี่ยจะต้องดูลมยืนเดินนั่งนอนต้องฝึกให้คุ้นเคยฝึกให้จิตคุ้นเคยถ้าอย่างงั้นคุ้นเคยยากก็ใช่ไงมันคุ้นเคยยาก ถ้าฝึกลักแหลงไหนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะเขานะเขาจะโอ้ดูลมไม่ยากแล้วเหมือนอะไรดีนะเหมือนเนี่ยแม่วัวปากและเลีมหญ้าปลาตาชมเหลืองดูลูกน้อยเข้าใจคํานี้ไหมปากและเลีมหญ้าตาชมเหลืองดูลูกน้อย เ, อเราเดินไปนี่แหละใช่ไหมแต่ตาเราใจเราก็ชมเหลืองดูลมเข้าลมออกอยู่เรื่องทำได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะเพราะว่าเราเราจะได้คุ้นเคยเพราะาโดยปกติเนี่ย ที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยเราหายใจทิ้งตลอดเลยไม่ได้สังเกตเลยนะสังเกตเนี่ยลืมเข้าตลอดเลย <c oughs> ใช่ไหมล่ะเนีย่ยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยทีเราไม่เคยรู้เลยว่าลมเข้าลมออกมันขนาดนั้นเลยนะเราทิ้งลมขนาดเออขนาดทั้งๆเป็นอุปกรณ์ในการเดินสติเลยเนะ <c oughs> เราเขาเรียกว่าประมาทมากพระพุทธเจ้าใช้คําว่ามีชีวิตยอยู่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวั น, วน ไม่ได้สติไม่ได้สมาธิจากการหายใจเข้าหายใจออกเลยโอ้โหเสียหายจริงออ <hum> ออกออกเลยเป็นไงเออเดี๋ยวเอาซีดีมีซีดีเดี๋ยวแจกซีดีคนละชุดพอดีมีซีดีมาแต่ในนี้น่าจะมีการสอนอนาบารรณะนะอยู่ด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีสอน ก อ, องออนไลน์เป็นคนแจกเลย เ, เออไว้นี่แหละเอ<ห>ะเอเ อ, เอาไว้เลยที่เหลือก็ไว้นั่แหละนี่ที่เหลือก็เอา ไ, อาไว้ที่นี่แหละเพ อ, เอที่มีใครไปใครมาต้องให้ออันนี้สอนอยู่ที่ยัพุทธ น, นี่ไปบรรยายที่ยัพุทธ เอาแล้วถ้าอย่างนั้นก็โมทนากับพวกเราขอให้เป็นชมรมที่เจริญกุศลเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกนีให้เดินตามมัชฌิมาปฏิบัาอยาเอียงเข้าไปหากา ร, รมาสุขั้นลีการทุโยคและสุดอัตตะกิรามาถานุโยคจะได้เป็นปัจจัยกในการบรรลุเป็นพวกคนที่ <c oughs> าจานทร์เม่ตายเวลามาวันนี้ฮะพวกเราหูตาสว่างก็ดีเยับ